วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันหร้อยสมสบเก้าเป็นการบรรยายธรรมะในหัวข้อว่าด้วยประวัติการบรรลุธรรมของพระญาบุคคลครั้งที่ยี่สิบเอ็ดโดยท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตธา a วันนี้ได้เวลานสมควรแล้วใกล้ขอเรียนเชิญอาจารย์ ได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับหัวเรื่องการบรรลุธรรมของพระญาบุคคลเรียนเชิญอาจารย์ค่ะท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้เราจะใช้เอกสารที่แจกเมื่อคราวที่แล้ว ที่มีชื่อว่าจำแนกประเภทพระอริยสาวกระถาจารย์ท่านได้ประมวลสรุปเนื้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระอริยอรหันต์ทั้งหลายที่ได้พูดมาจำนวน264องค์มีทั้งในส่วนยากแล้วก็มีทั้งในส่วนง่ายปะปนกันอยู่ในบทสรุปซึ่งเป็นเอกสารชุดนี้สำหรับบทสรุปในส่วนพิสดารอื่นๆที่ผม ทำอยู่และยังไม่สามารถที่จะพิมพ์ออกมาแจกท่านได้นั้นคงจะหาโอกาสแจกคงจะต้องเอาไปให้กันที่ปรานีพันธ์นะครับซึ่งคงจะถัดไปเป็นอาทิตย์หน้าไม่ใช่พรุนี้ท่านที่ติดตามศึ่อสาที่นี่ก็เห็นจะต้องทวงหน่อยครับทวงเอกสารชุดนี้จะไม่มาวางแจกเหมือนเอกสารที่แจกเป็นปกติประจำนะครับ เอกสารชุดที่เราจะใช้วันนี้นะครับขอให้ท่านได้ดูไปโดยลําดับเราจะเห็นว่าอรรกถาท่านได้แยกแสดงไว้ว่าอาพระอรหันต์ทั้งหมดที่เรียกว่าพระมหาเทระจํานวน264รูปเหล่านั้นมีพระสุภูติเป็นองค์แรกมีพระวังคีสาเป็นองค์สุดท้ายอที่เราได้อธิบาย ตั้งแต่องค์แรกมาจนถึงองค์สุดท้ายคือพระวังคีศะผ่านพ้นไปแล้วไม่นับรวมพระเถรีซึ่งเป็นพระอรหันต์หญิงที่ได้พูดไปก่อนอสําหรับพระอรหันต์ทั้งหมดเหล่านี้ความจริงไม่ว่าจะเป็นส่วนของพระอรหันต์ชายหรือพระอรหันต์หญิงก็อยู่ในบทสรุปคล้ายๆกันหรือจะเรียกว่าอยู่ในบทสรุปเดียวกันก็ได้ท่านได้แสดงความเป็นอย่างเดียวกันว่าพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ย จะมีคุณสมบัติในทางจิตที่ว่าทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติทางจิต20ประการเนี่ยครับโดยลำดับดังต่อไปนี้คือหนึ่งโดยความเป็นพระอาเสค่ะนี่พระอาหารหันต์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหันต์อย่างไรบวชอย่างไรอายุเท่าไรบรรลุกับใครบรรลุ ด, ด้วยวิประการอย่างไรกระลวนแล้วแต่เรียกว่าเป็นพระอาเสค่ะคือผู้อยู่จบ กรมาจารย์ได้ฌานหรือไม่ได้ฌานจะได้ปัญญาหรือไม่ได้ปัญญาได้ปฏิสัมพิธาหรือไม่ได้ปฏิสัมพิทาล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้จบการศึกษาคือจบไตรสิกขาศึกษาโดยลําดับของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาสี่เที่ยวสี่รอบผู้ใดศึกษาจบสี่รอบหรือปฏิบัติตามลําดับโดยสี่รอบแล้วเป็นอาเสขะบุคคลอาเสกะบุคคลจึงเป็นชื่อของพระอรหรันต ทุกทุกประเภททุกๆุกองโดยไม่มีส่วนเหลือประการต่อไปเป็นผู้ถอดกรอนแล้วและผมอธิบายรวมไปกับข้ออื่นต่อไปอีกด้วยคืออย่างประการที่สามว่าเป็นผู้มีความเห็นเข้ากันได้แล้วอ่าอันนี้เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ข้อสี่โดยความเป็นผู้ถอดเสาเสารณีตขึ้นแล้วอีกข้อหนึ่งอสําหรับข้อสองกับข้อสี่อธิบายไปได้วยกันได้คําว่าถอดกรอนเนี่ย ถอดกรอนหมายถึงกรอนประตูเมืองเป็นภาษาเชิงเปรียบเทียบถอนเสาระเนียรหมายถึงเสาหลักเมืองเสาเขื่อนเมืองบางทีเราเรียกว่าเสาเขื่อนเมืองเวลากองทัพภายนอกจะยกทัพมาตีเมืองเมืองหนึ่งซึ่งมีกำแพงล้อมรอบกองทัพนั้นจะต้องบุกเข้าไปคือต้องพังกำแพงให้ได้และสิ่งที่เป็นหลักของกำแพงก็คือเสาระเนียร เสาเขื่อนเมืองนะเรียกเป็นเสาเขื่อนเมืองต้องพังให้ได้และต้องเปิดกรอนประตูเมืองให้ได้จะเปิดด้วยวิธีการทุบทาลายอย่างไรก็เรียกว่าเปิดพระอรหันต์นั้นเป็นผู้ที่พยายามจะทำลายเมืองของข้าศึกของท่านอารหันต์เนี่ยเราเคยได้ยินตำนวนว่าเป็นผู้ทาสงครามเป็นอีกตำนวนหนึ่งผู้ทาสงครามกับกิเลสซึ่งเป็นของตัวเองกิเลส อที่พระพันหันจะยกกองทัพธรรมเข้าไปตีคือธรรมะของท่านเช่นโพธิปักญาธรรม๓๗เนี่ยเหมือนเป็นกองทัพธรรมก็จะต้องทําลายสิ่งที่เป็นสิ่งกีดขวางทั้งหลายซึ่งก็คือกิเลสครับทั้งหมดเนี่ยเป็นจานวนหมายถึงกิเลสในตัวของท่านเองที่ท่านจะต้องทําลายทะลุทะลวงเข้าไปฆ่ากิเลสอันมีป ร, ราชาได้แก่อวิชา แล้วก็พระราชนีอันได้แก่ตานาให้ได้สําหรับข้อสามว่าเป็นผู้มีความเห็นเข้ากันได้ข้อนี้ท่านหมายถึงทิฏฐิสามัญญตาของพระอระหันต์พระอระหันต์กับพระอระหันต์เนี่ยมีทิฏฐิสามัญญตาคือเสมอกันด้วยทิฏฐิครบถ้วนทุกระดับไม่ใช่เฉพาะบางระดับเหมือนอย่างปุตุชนหรื อ, อพร ะ, ะเสกากับพระเสกาก ซึ่งมีระดับความเห็นที่มีลำดับแตกต่างกันสำหรับพระอาหารหันต์แล้วเข้ากันได้สนิทเพราะความเห็นทุกๆระดับท่านถึงความเสมอกันถ้าเราจะกล่าวว่าทิฏฐิสามัญญาตาคือความเห็นเสมอกันเนี่ยเราไม่อาจจะหาได้ในหมู่บุตุชนร้อยปอร์เซ็นตพระเสขร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ แต่พระอาหารหันต์แล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นตเป็นอันเดียวกันโยร้อยเปอร์เซ็นเราก็ไม่ต้องอธิบายเพียงแต่พูดแค่นี้เพื่อทบทวนความรู้ที่ท่านรู้อยู่ว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีหลายชั้นและสัมมาทิฏฐิที่ได้ก็มีหลายชั้นไปตามขีดขั้นที่เป็นคู่ปรับกันสัมมาทิฏฐิเบื้องต่ามีคู่ปรับคือมิจฉาทิฏฐิเบื้องต่า อันนี้ก็เข้ากันได้เป็นชั้นๆไปและสัมมาทิฐิที่สมบูรณ์สูงสุดคือพระอาหารหันต์ความเห็นผิดโดยประการทั้งปวงความเข้าใจผิดอะไรต่างๆโดยประการทั้งปวงนั้นในพระอาหารหันต์ไม่มีโดยแท้จริงจึงเรียกว่าเข้ากันได้อาหารหันต์กับอาหารหันต์นั้นไม่มีความเห็นเป็นอื่นจากกันอาหารหันต์กับพระอาหารหันต์ศบตาจึงเข้าใจความคิดกันต่างอนุโมทนากัน อย่างไม่ต้องเสียแซงเราดูข้อหกข้อห้าข้อห้าโดยความเป็นผู้ปลอดอุปสรรคปลอดก็คือปราศจากและคําว่าอุปสรรคในที่นี้ท่านเพ่งหมายถึงอุปสรรคภายในที่บางทีพูดเป็นว่าอมิตรภายในอุปสรรคภายในข้อขัดข้องภายใน เ, เมื่อพูดอย่างนี้เราก็เดาได้ว่าภายในหมายถึงกิเลสกิเลสนี่เป็นอุปสรรคใหญ่ ไอย้ยางอื่นๆที่มันกลายเป็นอุปสรรคนั้นเพราะกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเช่นบุญบางอย่างเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในบางแง่เป็นอุปสรรคในบางแง่และไม่มีบุญใดเลยที่เป็นโลเกียบุญจะไม่มีอุปสรรคเพราะว่าโลกียบุญนั้นยังเป็นสาสะธรรมคือมีกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องให้จาหลักง่ายๆว่า บุญใดที่บุคคลได้กุศลหรือบากใดที่บุคคลได้ก็ต่ากุศล น, นั้นถ้ามีกิเลสเข้าไปเกี่ยวข้องมากเข้าไปเกี่ยวข้องหยาบอุปสรรคนั้นจะหยาบแล้วอุปสรรคนั้นจะมากมันเป็นรอยเป็นรอยมลทินของบุญไอรอยมลทินนี้ไม่ได้มาจากบุญแต่มาจากบาปที่เข้าไปเกี่ยวเ อ, อผมยกตัวอย่างเอาขั้นสูงให้พอเห็นสักนิดหนึ่ง ในกรณีของคนที่ทำอรูปฌานได้คนที่ทําอรูปฌานได้เนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อเอาหน้าไม่ได้ทําเพื่ออะไรอย่างอื่นอย่างที่คนทําทานยกตัวอย่างว่าใครจะมาทําอรูปฌานเพื่อสร้างคะแนนนิยมให้เขาเลือกตัวเองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเขาไม่ทําเพื่ออย่างนั้นเด็ดขาดใช่ไหมแต่คนทําทานทำอย่างนั้นได้คนรักษาศีลขั้นต่ๆทําอย่างนั้นได้ไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับมันหมายความว่า กิเลสที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทานที่ตัวเองทำซึ่งก็ไม่ได้มาคนทำทานจะต้องมาทำเอาคะแนนไม่ได้มาทำหาเสียงแต่คนที่ไม่ได้ทำหาเสียงก็มีกิเลสอย่างอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำทานนั้นทั้งหมดเหล่านี้เราไปพูดถึงคนที่ทำอรูปฌานนะั้นเขายังมีความอยากความอยากนั่นแหละเป็นอุปสรรค อุปสรรคอย่างไรก็เป็นอุปสรรคทำให้คนที่ได้รูปฌานนั้นไปนิพพานไม่ได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดโดยตรงก็คือยังไปเกิดในภูมิเบื้องสูงโดยอ้อมก็คือว่าเมื่อบทเมื่อไปเกิดในภูมิเบื้องสูงแล้วไปนิพพานไม่ได้ก็มีวันหมดบุญหมดกรรมก็ต้องกลับมาสู่ภูมิเบื้องต่ำอีกเป็นอุปสรรคอย่างนี้พระอระหันต์ไม่มีกิเลสอะไรเลยที่เหลือเป็นอุปสรรคภายใน เมื่ออุปสรรคภายในไม่มีภายนอกก็ปลอยไม่มีไปด้วยถ้าถามว่าถ้ายัางงั้นชีวิตพระอาจานย์มีอุปสรรคหรือไม่เราตอบว่ามีในอีกแง่หนึง่งแต่อุปสรรคของพระอาจานย์นั้นไม่ได้เกิดจากความสิ้นอุปสรรคในปัจจุบันเกิดจากกรรมในอดีตแช่ไหมใช่ไหใช่ไหมใช่กรรมในอดีตที่ทําไว้นั่นคือร่องรอยหรือสิ่งที่สืบทอดมาถึงชีวิตในปัจจุบันมันเป็นความผิดเก่า ไม่ใช่ความผิดใหม่กิเลสนั้นตัวมันเองถ้ามันทำกรรมนั่นเองมันเป็นอุปสรรคโดยตรงถ้ามันเข้าไปเจือไปอาศัยไปแฝงกับบุญมันเป็นอุปสรรคโดยอ้อมได้ความสำเร็จก็มีอุปสรรคเกี่ยวข้องมาด้วยอย่างที่เราเห็นเห็นจริงในชีวิตของคนทั่วไปเอาละเรนี้มาว่าถึงข้อหกข้อหกมีทางไกลอันถึงแล้ว อันนี้ท่านบอกว่าการเวียนไห้ใตเกิดอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยเหมือนคนเดินทางไกลและบุคคลใดที่ยังเดินทางไกลอยู่ด้วยยังมีปรัปปัญจะธรรมปรัปปัญจะธรรมนั้นทำให้เนิ่นช้ากคมว่าเนิ่นช้าหมายถึงเดินทางไกลอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางไม่รู้จุดหมายปลายทางปปัปปัญจะธรรมคือตัณหามานาทิฏฐิจึงเป็นตัวที่ทำให้เรา ต้องวกวนอยู่บนหนทางไกลนี้ผู้ใดที่ทำลายปปันจะทำได้โดยสิ้นเชิงตนามานาทิฏฐิผู้นั้นชื่อว่ามีทางไกลถึงที่สุดแล้วผู้ใดที่ทำลายปันปปันจะทำได้ในบางตัวอย่างเช่นพระโสดาบันทาลายทิฏฐิได้ปปัญจะทำหรือทางไกลของท่านมีที่หมายคือไม่มีไม่สุดลูกหูลูกตาเหมือนอย่าง บุตรชนทั่วไปอย่างมากก็เจ็ดชาติอย่างที่พูดพูดกันในประการที่เจ็ดมีเป็นผู้ปรงภาระแล้วพราหลานทุกองค์ชี่อว่ปรงภาระแล้วหมายถึงปรงกรรมมาพาระทั้งบุญทั้งบาปปรงกิเลสภาระแล้วก็ปรงขันธภาระ เ, าเรื่องปรงขันเนี่ยพูดสนิทไอ้กิเลสเนี่ยมันหมดไปแล้วจริงแล้วก็ไอ้กรรมมาาระหมายถึงกรรมในภาคปัจจุบันไปถึงอนาคตไม่มี อดีตยังอาจมีเหลืออยู่แต่ว่าก็โปรงเหมือนกันคือกรรมใดที่จะนําเกิดไปสู่พบใหม่ชาติใหม่มากน้อยแก่ไหนก็ตามท่านโปรงหมดส่วนขันธภาละเนี่ยก็คล้ายๆกรรมคืออัตภาพที่เป็นวิบากก็เป็นอันปรงและปร่งของท่านก็เหมือนกับที่เราพูดว่าโปรงของเราปรงตกคือตามใจได้ ไอ้ทำใจได้แล้วมันอาจจะไม่เด็ดขาดก็ดีหรือว่าทำใจแล้วอาจจะยังได้สิ่งที่เราทำใจแต่อย่างน้อยก็คือว่าเรานะโปรงตกแต่ว่าสิ่งนั้นมาอาจจะเวียนเข้ามาแต่มันก็ย่ำยีเราไม่ได้มากปรงตกใจเราโปรงตกแต่ว่าไอ้อุปสรรคนั้นมันยังไม่ตกไปจากจิติเราส่วนพระอระหันเนี่ยท่านปรงตกและขันของท่านค่อยๆตกคืออนาคตนี่ไม่มี ชีวิตปัจจุบันของท่านที่ยังเหลืออยู่ก็ค่อยๆหดหายตกไปตกไปตามลําดับปร่งตกอย่างนี้ดูแล้วก็คล้ายๆกับการปร่งตกของเราต่ออะไรๆเนี่ยแม้ว่าบางอย่างมันยังไม่จะไม่พ้นไปจากวิถีชีวิตเราแต่มันหมายความว่าเริ่มค่อยๆพ้นในส่วนที่ยังไม่พ้นที่มันเริ่มค่อยๆพ้นได้เพราะว่าใจเรานั้นโปร่งเสียแล้วโปร่งตกเสียแล้วมันก็เหมือนพ้น และค่อยๆพลนว่าต่อไปข้อแปดเป็นผู้พลากได้แล้วพลากตัวนี้ก็เป็นอีกสำนวนหนึ่งครับว่าหมายถึงพลากตนออกจากสังสารวัตไม่ใช่พลากคนอื่นไม่ใช่พลากลูกพลากแม่ที่มันเป็นบาปเป็นกรรมและคำว่าพลากตนนี่ก็พูดไปอย่างนั้นเองความจริงนะเวลาพลากตัวไปอย่างสังสารวัตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรไปอย่างที่ เป็นชนิดที่เป็นการพูดกันอย่างในภาษาสังสรวัตรไม่ได้มีตนพ้นไปหรือถูกพลากไปแต่เป็นอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราพูดเอาเด็ดขาดกันแน่แท้ในชั้นเหล่านั้นไม่ได้ข้อเก้าโดยความเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้หมายถึงพระอาจารย์สาวกเนี่ยมีฐานะเดียวกันอย่างนี้ไม่ว่าพระษาลีบุตรหรือไม่ว่าใครและ มีข้อพิเศษอันหนึ่งว่าคนที่เป็นพระอาหารหันต์โดยรูปแบบโปรยความเป็นมาโดยข้อจริงคือสาวกมุตเจ้าเท่านั้นคนอื่นที่คนที่เป็นพระอาหารหันต์จะบรรลุโดยอาจารย์อื่นที่ไม่ใช่พระมุตเจ้านั้นมีไม่ได้อันนี้เป็นข้อห้ามอันนี้อันหนึ่งแง่หนึ่งอีกแง่หนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นอาหารหันต์แล้วจะทําอะไรเป็นการลบหลู่อาจารย์หรือลืมอาจารย์เนี่ย ไม่มีเลยสักองค์เดียวคนเดียวเพราะว่าถ้าขืนยังมีความคิดอย่างนั้นก็ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ไม่ปฏิเสธอาจารย์เพราะฉะนั้นพระอาหารหันต์เนี่ยเมื่อมีใครมาฟังทำท่านแสดงแล้วก็แสดงความเลื่อมใสถือว่าท่านเป็นสารณะท่านจะแนะนําพระพุทธเจ้าเสมอทุกองค์เลย่ะว่าขอให้นับถือพระพุทธเจ้าธรรมะนี้ไม่ใช่ของท่านเป็นของพระพุทธเจ้า แม้อัตามาภาพก็เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นท่านพึงถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นสาระที่พึ่งเถิดจะพูดอย่างนี้ครับแล้วคนนั้นก็จะถามหาพุทธเจ้าต่อไปไม่มีคําว่าตรันลีสักุลกับครูบาอาจารย์แม้ไม่ถามท่านก็จะต้องบอกธรรมะเนี่ยให้ธรรมะเบื้องยิ่งสูงก็ยิ่งให้ ความชัดเจนในเรื่องของความกระตันอยู่รู้คุณอย่างเที่ยงแท้แน่นอนข้อสิบโดยเป็นผู้มีเครื่องอยู่อันอยู่แล้วในอริยวาสิบก็อันนี้มีในพระสูตรอริยวาสแปล ว, ว่าเครื่องอยู่ของพระอริยอย่างเช่นความสันโดษในปัจใจสี่อย่างนี้เรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ของพระอริย แล้วก็สิบเอ็ดคือละองห้านี่ก็หมายถึงนิวรห้าไม่มีสิบสองประกอบด้วยองคหกก็คือชลังกุเบขาต้เบขาหกแล้วก็ข้อที่สิบสามมีธรรมอารกาักขาหนึ่งข้อนี้หมายถึงสติเครื่องรักษาเป็นข้อที่หน้าคิดหน้าแปลกอย่างหนึ่งว่าเครื่องรักษาของ พระอาหารหันต์นั้นมิได้มีมากเหมือนอย่างในทางโลกโลกแล้วก็ในเรื่องแม้ไม่ใช่พระอาหารหันต์เนี่ยถ้าว่ากันอย่างเอาสาระจริงๆว่าเราจะพึ่งใครจะอาศัยใครเป็นเครื่องรักษาคำตอบนั้นคือสติเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องนึกถึงสติเพราะสตินั้นคุ้มครองเราได้ เพราะอะไรสติถึงรักษาเราได้เพราะเมื่อเมืองเนื้ อ, อเยาวะกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องทำลายทาลายทั้งเดี๋ยวนั้นทั้งลายทาลายทั้งในการต่อไปถ้าเรามีสติสตินั้นเป็นเครื่องระลึกทำให้กิเลสไม่เกิดที่เรานิยยามความหมายกันว่าสติคือเครื่องกั้นกระแสกิเลสบ้างสติคือความระลึก ที่ทําอกุศลไม่ให้เกิดบังเรียกว่าสติคนเมื่ออกุศลไม่เกิดแล้วเท่ากับว่าไม่เปิดช่องให้กับมานไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารหรือไม่ว่าจะเป็นอัคคีสังคาราท่านจึงยกเอาสตินั้นเป็นเอกรักขาเอกรักษาแปลว่าเครื่องรักษาอันเป็นหนึ่งสิบสี่มีทำเครื่องอิงอาศัยสี่อ่าข้อนี้ก็หมายถึง เรื่องการพิจารณาที่ที่เราเรียกว่าปัจเจก ค, คือการพิจารณาพิจารณาอะไรตรงนี้ท่านไม่ได้พูดว่าพิจารณาอะไรอะไรก็ได้ในอารมณ์ในวัตถุสิ่งของในบุคคลเนี่ยบของบางอย่างพิจแม้ของที่ควรเสพก็พิจารณาเสียก่อนแล้วจิงเสพนี่เป็นปกติของรารันทุกรูปเหมือนกันของที่ไม่ควรเสพ ท่านก็ไม่มีลักษณะหันหลังในลักษณะปฏิเสธด้วยกิเลสแต่พิจารณาว่าของนี้ไม่ควรเสพท่านก็เว้นเสียเรียวกว่าพิจารณาแล้วเว้นเป็น เ, เครื่องเอิงอาศัยอย่างหนึ่งแล้วก็ของบางอย่างนั้นพิจารณาแล้วบรรเทาพิจารณาแล้วบรรเทาเ อ, อหมายถึงของบาง อย่างที่เราเสพเนี่ยถ้าเป็นระดับอย่างปุตรชนเสพแล้วเกิดกามวิตกขึ้นเมื่อเราเสพของนั้นแล้วจะต้องบรรเทาต้องรู้ว่าของเหล่านี้ต้องบรรเทาไม่ให้เกิดกามวิตกขึ้นเป็นต้นแต่ว่าพระอาหารหันต์เนี่ยท่านไม่มีกิเลสแล้ว ไม่มีกิเลสแล้วท่านจะบรรเทาอย่างไร อ, ไอ่าการบรรเทาของพระหลานนั้นจะออกมาเป็นรูปของอาการกิริยาอาการกิริยาว่าของนี้เราเสพในลักษณะที่ไม่ให้เกินไปก็ดีหรือของนี้เราควรเสพในลักษณะที่เหมือนควบคุมตัวเองความจริงเนะี่ยท่านเองก็ไม่มีอะไรจะต้องควบคุม ความควบคุมนั้นมันเหมือนเป็นเป็นอัตโนมัติเ อ, อ, เ อ, อทำนองเดียวกันที่พูดว่าอดทนเนี่ยอดทนอดกลั้นความจริงท่านก็ไม่มีอะไรจะต้องอดทนเหมือนอย่างเราต้องฝืนใจอดกลั้นกับสิ่งต่างๆพระอาหารหันต์ก็ชื่อว่ามีความอดทนแต่เป็นความอดทนที่อยู่ตัวคนเหมือนไม่ต้องทนบรรเทาเหมือนไม่ต้องบรรเทาไม่มีแรงฝืนเนี่ยพูดไงบรรเทาแบบไม่มีแรงฝืน เป็นทํานองว่เหมือนทําไปอย่างนั้นแหละแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแหละโดยไม่มีความหมายอะไรคือมีความรู้สึกในทางภูสันมาคอยละแวกระวังแม้ว่าอาท่านไม่มีกิเลสแล้วจะเรียบเหมือนเหมือนว่ า, เ, าเราพูดถึงว่าพระอราหันแล้วเนี่ยเป็นอราหาันแล้วเนี่ยยังอาจจะถูกต้องไายหญิงได้หรือไม่ท่านไม่ถูกทั้งที่ท่านไม่มีกิเลสแล้วอาภาษาอราหันกับพูดว่ายิ่งเป็นอราหันแล้วยิ่งต้องระวังมาก ทั้งที่มันไม่มีศัตรูให้ต้องระวังไอเวลาคนระวังเนี่ยระวังเพราะคุณสมบัติอันหนึ่งกับระวังเพราะหมายที่ปฏิปักษอันหนึ่งอย่างเราเนี่ยเราระวังเพ่งไปที่ปฏิปักษใช่ไหมฮะถ้าสิ้นปฏิปักษแล้วเราก็นึกว่าเราไม่ต้องระวังํานองว่าหมดทุกข์แล้วก็ไม่ต้องเาวัดอะไรอย่างงี้ไม่ไม่นึกถึงธรรมะแต่คนที่ที่เขาเอาชนะเขา สั่งสมทมจทึงต้องเอาชนะอุปสรรคได้เนี่ยธรรมะมันเหมือนกับอยู่ตัวเหมือนกับ น, นักรบที่เคยอยู่ในสมรภูมิมเคยระแวดระวังตัวอย่างไรแม้ว่าตัวเองจะออกจากสมรภูมิแลวนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีลักษณะยังมีความระแวดระวังติดตัวแม่ไม่มีศัตรูถ้าถามว่าเป็นความระวังเสียเปล่าหรือไม่ตอบว่าไม่ไดระวังเสียเปล่า มันเป็นระวังอย่างอยูอย่ตัวเป็นอัตโนมัติมันก็เลยเลยกลายเป็นแบบอย่างแล้วก็กลายเป็นผาสุกไม่ใช่ระวังเพื่อสู้กิเลสนะระวังแล้วมันเป็นผาสุกมันเป็นอัตโนมัติด้วยเป็นผาสุกด้วยเป็นแบบอย่างด้วยของพระอร า, านันก็พิจารณาแล้วละละที่จะไม่ทำอะไรอะไรที่มันเป็นเรื่อง อของกิเลสผมยกตัวยอย่างนี้นะสมมติว่าพระอาหารหันต์ได้รับการชวนให้ทำบาปเวลา<ม>ความจริงท่านไม่ทำบาปอยู่แล้วนะโดยไม่ต้องเจตนาเป็นอัตโนมัติของท่านทั้งทางกายและทางวาจาทางความคิดก็ไม่มี แต่การที่ท่านจะไม่ทําบาปที่มันปรากฏเป็นขนาดๆเนี่ยท่านจะไม่ทําแบบไม่รู้ตัวพูดง่ายๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะของเราเนี่ยบางทีเราไม่ทําบาปเราก็ทําแบบไม่รู้ตัวแก่ไม่ใ ช, ใช่อันนี้ถือว่ามันเป็นไอไอโอกาสของกิเลสที่มันแทรกเข้ามาอย่างหนึ่งทําบุญโดยไม่รู้ตัวบางทีก็มีคือมันถึงไม่มีบุญวาจเจตนามาก่อนทําไม่ทําบาปก็ไม่ได้พิจารณา มาก่อนมันอัตโนมัติก็ดูเหมือนดีแต่ว่าพระอาหารหันต์เนี่ยท่านมีสติของท่านตลอดแม้ทําหรือไม่ทําอะไรท่านมีเหตุผลบอกแกตัวเรียกว่าเป็นการพิจารณาและเป็นบุคลิกของพระอาหารหันตุทุกองค์เหมือนกันข้อที่ห้าว่ามีสัจจะบางอย่างบรรเทาแล้วข้อนี้ท่านหมายเอาอีกทางสัจจะพินิเวศอีกทางสัจจาวินิเวศก็อย่างที่เราเคยพูดกันมามากแล้วน่ะแหละครับเลยแก่พวกที่มีความเห็นเฉพาะอย่าง ว่าสัตว์ตายแล้วเกิดเท่านั้นจริงอย่างอื่นผิดหรือสัตว์ตายแล้วสูญเท่านั้นจริงอย่างอื่นผิดพระอาหารหันต์ไม่มีความยึดถือในลักษณะอย่างนี้มันเท่าแล้วหมายถึงละแล้วก็คือพระอาหารหันต์ไม่มีลักษณะของการทุ่มเทียงกับใครกับใคร ที่ท่านกล่าวถึงคุณสมบัติในส่วนนี้อย่างยกขึ้นมาเหมือนเป็นข้อเน้นเนี่ยเพราะว่าสังคมสมณะในสมัยสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็คงจะไม่หนีกันแหละจะมีการทุ่มเถียงมีความชอบในความเห็นว่าอย่างนั้นอย่างนี้พราหลานท่านไม่มีอย่างนี้จึงไม่มีลักษณะทุ่มเถียงด้วยเรื่องอะไรอะไรในลักษณะของความสําคัญคิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อ่าข้อที่สิบหกมีการแสวงหาหกสิบประการอันเป็นไปร่วมอข้อนี้หมายว่าพระอรหันเนี่ยการแสวงหาปัจจัยต่างๆโดยวิธีการผิดที่เรียกว่าอเนสนาอะไรที่เป็นเรื่องผิดๆมากก็ตามผิดน้อยก็ตามไอ้ผิดมากเนี่ยก็เกือบจะไม่ต้องไปพูดถึงไอ้ผิดน้อยก็เชื่นว่าเอาของน้อยแลกของมากเพื่อเป็นการแสวงหาส่วนที่เป็นกําไรจากของที่ ที่ได้มาจากการเอาของแล็กของน้อยแลกของมากก็ดีหรือการซื้อการขายก็ดีระบบการซื้อขายเนี่ยในวินัยห้ามไว้สําหรับภิกษุแต่สําหรับพระอรหันต์แล้วไม่มีเด็ดขาดสิ่งเหล่านี้พระอรหันต์อันใดที่ท่านจะต้องสแสวงหาซึ่งมีรายละเอียดมากมายเหลือเกินเนี่ยนะครับตั้งหกสิบประการนั้นท่านจะเหมือนกันหมด สิบเจ็ดมีความดำริไม่ขุนมัวนี้หมายถึงอกุศลที่ตกสิบสองมีกายสังขารสงบระงับแล้วข้อนี้หมายถึงกรรมที่ทําทางกายดำรินะหมายถึงทางใจก็เราก็สรุปไ ง, ไง่ายๆว่าทางกายกับทางใจพระอรหันต์ไม่มีการประพฤติกรรมที่จริงก็ทั้งกุศ ล, ลกรรมทั้งอกุศ ล, ลกรรมล้ครับไม่มีสงบระงับหมด สิบสองมีจิตหลุดพ้นดีแล้วกับมาสิบเก้าะกับยี่สิบมีปัญญาพ้นดีแล้วสองข้อนี้พูดไปได้วยกันได้คำว่าจิตเนี่ยหมายถึงคืออธิบายไปได้วยกันโดยยกคำถามว่าพระอรหันต์เมื่อปรากฏมรรคจิตผลและจิตขึ้นถ้าเรากล่าวด้วยอำนาจของยานเป็นประธานก็เรียกว่ายานหลุดพ้น ถ้ากล่าวด้วยอำนาจของจิตตุปบาทว่มามรรจิตบลรจิตก็กล่าวว่าจิตหลุดพน้นถ้าถามว่าพ้นจากอะไรถ้ากล่าวในตรงนั้นก็บอกว่าพน้นจากกิเลสญาณพน้นจากกิเลสจิตก็พน้นจากกิเลสมันก็อยู่ในขณะจิตตุปบาทเดียวกันพูดด้วยอำนาจจิตก็เราก็บอกว่าจิตบริสุทธ จะเรีว่จิตบริสุทธิ์ก็หมายถึงขิดพ้นจากกิเลสจึงบริสุทธิ์จากกิเลสไม่ได้บริสุทธิ์จากอย่างอื่นญาณหลุดพ้นก็หมายถึงพ้นจากกิเลสและญาณนั้นเป็นตัวฆ่ากิเลสเป็นตัวประหารกิเลสเป็นประธานในการประหารกิเลสญาณบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์จิตมรรคจิตผลแลจิตบริสุทธิ์กิเลสเข้าไปอาศัยไม่ได้เหมือนอย่างบุญกิยาที่เราทำมีทานเป็นต้นกิเลสเข้าไปอาศัยได้ ปัญญาณที่เป็นโลกุตละนั้นกิเลสเข้าไปเอามาใช้ไม่ได้เหมือนอย่างปัญญาของเราเนี่ยเราเรียนรู้ฉลาดแค่ไหนก็แล้วแต่เถอะไอ้ปัญญาของเราแม้จะเป็นเรื่องของในทางธรรมะที่ยังไม่เป็นอนาสวัญเนี่ยกิเลสเข้าไปอาศัยได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญญามากจึงชั่วได้เพราะเหตุนี้คนเรียนมากจึงชั่วได้เพราะเหตุนี้คนได้โลกียาวิปัสสนาญาณได้จึงหลงสิดได้เพราะเหตุนี้ คนได้ตาทิผูทิพเจโตปริยะที่เป็นสายของสมถะจึงเกิดกิเลสได้เพราะเหตุนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะยานอย่างนี้ไม่ใช่ยานบริสุทธิ์จากกิเลสกิเลสเข้าไปเอามาเป็นเครื่องมือในทางมานะในทางสแสวงหาลาศกาะละแล้วก็ทั้งมาใช้ในทางเวทมนต์คาถาซึ่งเป็นเรื่องนอกลีตทางพระพุทธศาสนาก็ได้ ปัญญาพระอาจาร์บริสุทธิ์จากมนทินเหล่านี้ปัญญาของท่านกิเลสของท่านหรือของใครไม่อาจที่จะนําเอาไปใช้เป็นเครื่องมือได้อันนี้เป็นคุณสมบัติโดยโดยรวมเรียวกว่าเป็นคุณสมบัติอย่างเดียวกันของพระอาจานย์ทั้งหมดทุกองเดี๋ยวนี้พอมาแจกโดยความเป็นสองต่อไปเนี่ยมีข้อแตกต่างกันเป็นอันมาก คือโดยการอุปสมบทด้วยเอหิพิขุท่านเป็นสองอย่างภาษาในนี้เป็นภาษาในคำภีทั้งนั้นนะครับเองแต่ผมมาเรียงตอนเป็นประเด็นง่ายๆเข้าคืออุปสมบทด้วยเอหิพิขุกับไม่อุปสมบทด้วยเอหิพิขุก่อนที่จะยกว่าใครอุปสมบทด้วยเอหิพิขุที่ท่านได้ยกตัวอย่างเป็นกลุ่มๆ รวมๆกันให้ฟังเนี่ยมอกว่ามีใครบ้างเอหิภิกขุเราก็รู้ว่าหมายถึงการบวชที่ใครคนอื่นบวชให้ไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าเท่านั้นบวชและการบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุนั้นจะต้องบวชเฉพาะพระพักดของพระศ า, าสดาและคําว่าเฉพาะพระพักดพระศาสดาเนี่ยจะเป็นพระพักดนิมิตก็ตามพระพักดนิมิตหมายความว่าอพระพุทธเจ้าที่ทรงฉายพระโอภาสไปกด็ดีหรือ ธรรมโนโมยิทธิไปอยู่เฉพาะหน้าคนนั้นและประทานอุปสมบททํางานแทนหรือบวชแทนเป็นอุปชาแทนพระพุทธเจ้าองค์จริงสี่ทรงประทับอยู่ในประการตะกุดีก็ได้ก็นับว่าบวชเฉพาะพระพักร์พระาศาสดาาการบวชเฉพาะพระพักร์เนี่ยจะบวชได้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปจนถึงปาลินิพาน หลังจากนั้นแล้วไม่มีกรณีที่เราอยากให้มีคื อ, อพระพุทธเจ้าจะทรงอธิษฐานนิมิตรพระองค์ไว้หลังจากวันนี้ผานให้เป็นาศาสดาแทนบวชแทนแสดงธรรมแทนมีไม่ได้ก็อย่ามาถามว่าทำไมท่านไม่ทำท่านทำไม่ได้หรือเพราะอะไรถึงอลำไม่ได้ถ้าทำได้ก็ดีนะท่านก็อาจอธิษฐานอยู่ตลอดห้าพันปีเลย ถ้าทําไม่ได้เพราะอะไรความจริงน่ะผมตั้งปัญหาเนี่ยยังไม่เจอในกำปีพูดวิบ่าวิจาร์ไว้แต่มันนึกว่าพระพุทธเจ้าท่านคงจบกิจของท่านและอะไรที่จะต้องทําด้วยมือของพระองค์เนี่ยหมดแล้วสัตว์ที่จะได้รับเอหีบพิขุก็หมดแล้วหมดตัวแล้วไม่ต้องอยู่ไปบวชใครเพราะการจะบวชใครไม่ใช่พระพุทธเจ้าเนึ่องจะบวชใครก็บวชได้แบบนี้ ต้องอยู่ที่บุญของเขาด้วยก็บอกถึงสิ้นยุคพุทธกาลเนี่ยก็หมดตัวพุทธ เ, ทเวเนาย์เหลือแต่ศักษาวกะเวเนายอ์อย่างสมัยเนี้ยก็มีแต่ละคนแต่คนเผยแพรกก็เป็นเวเนายของคนแต่ละกลุ่มแต่ละพวกแตกต่างกันไปหรวงพ่อเจ้าถึงแสดงทำประองสอนเจริญปณิธานว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านทําสมบูรณ์หมดแล้ว จึงรับอารัธนามานถึงแม้ไม่อารัธนาก็ต้องไปนิพพานอยู่ดีแต่ที่รับเนี่ยก็เอาอารัธนาให้ไปนิพพานก็ก็รับ ม, มานก็มาดีตอนเนี้อารัธนาไปนิพพานด้วยความโง่ของตัวเองนะเนี่ยถ้ามานมาเจอเราสักหน่อยก็จะวางแผนให้มานบางอย่าไปนิพพานอย่าไปนิพพานอย่าไปทําให้พระนอน ล, ลืมเพราะไปนิพพานแปลว่าไป ไปสู่ที่ดียุคให้อยู่นานๆเลยท่านจะได้เหนื่อยเพราะวัลกายแล้วมากๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดนี้บาปปรมิรู้เนี่ยเดี๋ยวมาได้ยินเข้าไปใชจยุ่งเลยแต่ไอ้คนที่โง่ในเรื่องของสภาวธรรมก็ต้องคิดอย่างนี้ใครังมานึกว่าเออไปไเรียกว่าคนนี้ลาออกจากงานไปบวชในสำนักดีไปปฏิบาาัติธรรมเออดีมันจะได้มาขัดขวางเราเขาก็คิดอย่างนี้ มันไม่อิจฉาแมไปบวชแล้วเดี๋ยวไปเป็นอาหานตก่อนเราจะว่าไงไม่คิดนี้ไม่เป็นหรอกมารก็คิดอย่างนี้ไม่เป็นบางคนจะอิจฉาเนี่ยก็จะอิจฉาในระดับภูมิปัญญาของตัวภูมิธรรมภูมิผลประโยชน์ของตัวจะไม่อิจฉาต่ํากว่าก็ไม่ไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับจะไปอิจฉาสูงกว่าเกินไปก็ไม่ได้จะต้องอิจฉาในระดับภูมิธรรมภูมิกิเลสของตัวได้เท่านั้น เราเองเนี่ยตัวเราเองในความอิจฉาเรายัางเลื่อนเลยนะทุกวันเนี้ยเมื่อก่อนเราอิจฉาระดับแม้เด่นี้อิจฉาไม่เหมือนเก่าแหละถ้าใครได้ดีได้ดีในทางปฏิบัติรามเราอยากจะอิจฉาอาจจะอิจฉากันนะแต่ว่าถ้าเป็นอิจฉาเรื่องโน้นเรื่องนี้หยาบๆเราก็ฉาไม่ออกอันนี้มาดูว่าใครที่บวช ด, ด้วยเอหิต เราไม่ต้องพูดถึงในในชั้นหลังพุทธกาลไม่มีเอหีแต่พูดถึงว่าในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระอหรหันต์มีเป็นเรือนแส น, นที่ได้รับเอหีพิกขูก่กับไม่ได้รับเอหีพิขู่อย่างไหนจะน้อยกว่ากันให้ถามกิจคิอยากอย่างไหนมากกว่ากันที่ได้รับที่ไม่ได้รับเอหีพิกขูกมากกว่า ที่ได้ที่ททไม่ที่ได้รับเอหีนะน้อยกว่าถึงแม้เราเราจะได้เห็นตัวเลขที่ท่านยกมาเป็นเป็นคณะคณะให้ดูเนี่ยนะะก็ยังน้อยอยู่นั่นเองเพราะว่าคนจะได้รับเอหีนี่ยต้องทําบุญด้วยอัฐบริขารนะแล้วก็อธิษฐานได้ด้วยทําบุญและอธิษฐาน ด, ด้วยว่าขอได้รับเอหีพี่ครถ้าไม่สนใจอธิษฐานก็ไม่ได้ บางคนมีบุญทั้งผลึกปเปลอแต่ไม่สนใจยาดิถานก็ไม่ได้นั้นเวลาใครมาขอบทเนี่ยพอพอเข้าไปข้ า, าแต่พระผู้มีาพระภาคอขอข้าพระองค์ได้อุปสมบทในธรรมเวินัยของพระผู้มีพระภาคเถิดพระผู้มีมา ก, กจะทรงกําหนดกิจดูว่าคนนี้ได้มีบุญญาธิการที่จะได้รับอุปสมบทแบบไหนก็จะทรงประทานอุปสมบทแบบนั้นท่านที่ได้รับอุปสมบทโด ย, ยอัตถสานทันเรียงลําดับให้เสร็จเลย กลุ่มที่หนึ่งคือเบนเจวะคียะปะยะมะชีอะยะปะยะมะชีะโอนทัญญะวปปะปะปติยะมหานามะอาตจิได้รับเอหิพิขูปสัมปท า, าหมดเวลาใครได้รับก่อนได้รับก่อนหรือได้รับพร้อมกันใครบรรลุก่อน อัญญาคุณตัญญาท่านอัญญาคญาบารูก่อนเป็นพระโสดาบานก่อนแล้วบวชก่อนั้ยได้รับอิหีก่อนไหมเอาไหนใครไม่มีใครตอบสักคนลเลยเหรอเนี่ยไปอินเดียกับมาแล้วยังต้องไปใหม่แล้วมั้งเนี่ยฮะบวชเลยใช่มฮะอ่าแล้วที่เหลืออีกสี่หละบวชที่หลังบวชเมื่อมาบเมื่อครุกรีอยู่ด้วยกัน ใครบรรลุเป็นโสไดา้บางก็บวชง่้บวชง่าบวชง่าตามลําดับตามลําดับรุ่นบรารมีที่จะบรรลุเ อ, อกรณีบรรลุอย่างนี้ใครในเฉพาะเบญจวัคคีเนี่ยใครบรรลุก่อนถือว่าดีกว่านะดีกว่าแต่ถ้าพระโมคคัลลานะกับพระสัทีบุตรเนะี่ยคนละคนละแง่กันคนบรรลุก่อนบรรลุหลังเนี่ยบางทีเหตุผลดีกว่าหรือด้อยกว่าเนี่ยจึงเอาแน่ไม่ได้อยู่ที่เหตุผลว่าอะไร อีกกลุ่มหนึ่งหลังจากที่โปรดเ็ญจวัคคีแล้วก็ในที่เดียวกันมี ก, กลุ่มหนึ่งมาประยศประยศจำได้ไหมครับเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศอนุบูพิกถาแล้วก็ต่อด้วยอริยสัจสี่บรรลุเป็นโสดาบันก่อนได้ไหมแล้วบวชเลยอย่างเอานิดตอบให้แน่ใจนะอย่าตอบเลื่อยเปื่อยไม่ได้นะกล่าวตูราหลานนะ มวดเลยหรื อ, อยังอ่าคุณคุณปรินสันนาอะไอย่างผมก็ที่ไปอินเดียมาแล้วกีค่ครั้งเร้วอรู้นะแล้วก็ไปไปกับพระนับปราสันด้วยตอบผิดก็่ใหญ่เรื่องใหญ่อนี้อ่มามัได้รับเอหิเรื่องนี้น่ะความจริงจะให้เอหิเลยก็ได้ก่อนก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงทรงรู้อันหนึ่ง แล้วก็อยู่ที่ผู้ขอบวดว่าขอเมื่อไหร่อีกอันหนึ่งามาบวดเมื่อพ่อตามมาถึงมาเฝ้าฟังอนุภุพิลูกชายบรรลุพระอาหารพ่อบรรลุโซดาและเู้าถึงเปิดเปิดกำบังตาให้พ่อได้เห็นลูกลๆในเห็นพ่อข้างเดียวตลอด ลูกไม่กระตกะตากถ้ากระตกะตากเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ได้บรรลุธรรมเกิดนิวรขึ้นพอพ่อบรรลุธรรมแล้วก็ได้เห็นลูกตอนเห็นลูกนี่ลูกยังไม่ได้บวชใช่ไหม ย, ยังไม่ได้บวชพระพุทธเจ้าเอออันนี้ท่านนึกด้วยดีนะว่าพยศออกปากขอบวชหรือพระพุทธเจ้าตรัสกับพ่อว่าลูกควบรบวชพระพุทธเจ้าตรัสเพราว่าพ่อเนี่ยมาชวนลูกกลับบ้าน เป็นโสดานะ่ยชวนเนี่ยชวนเพราะว่าไม่ลืมคําสั่งแม่ว่าให้พาลูกกลับบ้านก็มาบอกว่าพ อ, พอยศพอยัศะเจ้าจงให้ชีวิตแก่แม่เถิดเออมายมาันเป็นคําโหมลุนแหลงมากให้ชีวิตแก่แม่เถิดนะมันก็เรียกว่าธรรมดาก็สะเทือนใจลูกมากพอเราเนี่ยทําให้แม่ถึงกับจะจะเป็นจะตายเนี่ยก็หมายว่าให้กลับบ้านไปหาแม่ ไปใช้ชีวิตครองเรือนเป็นปกติพระพุทธเจ้าจึงได้แทกเข้ามาว่าผู้สิ้นอาสวะแล้วเนี่ยสมควรหรือที่จะคลองเรือนพ่อเป็นโสดาบันแล้วเข้าใจไม่ได้เคยธรรมะมาก่อไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนแต่รู้เลยว่ารู้จากการอนุมาณภูมิขึ้นไปว่าไม่ควรบวชก็เลยอนุญาตให้พระพุทธเจ้าทรงบวชบวชเสร็จแล้วก็พอรัตนารุ่งเช้าก็นิมนต์ ไปไปฉันที่บ้านแล้วไปแสดงธรรมกันเลยเป็นตัวดาบนนกันหมดอย่างที่เรารู้นะหลังจากนั้นก็มีเพื่อนของท่านมาเป็นชุดๆรวมแล้วถึงห้าสิบห้าท่านเ้ยวยกันจุดแรกที่ตามมาก็สี่รูปครับสี่รูปนี้ที่โด่งดังที่สุดคือพระกวัมปติองสุดท้ายจากนั้นได้ทรง สเสด็จเดินทางจากปารณสีมรุกตายวันเพื่อจ ะ, สะเสด็จไปที่โอรุเวลาเสนาในคมเพื่อจะไปโปรดะชดินสามพี่น้องเราว่างทางผ่านพบพระพัทธวคีสามสิบพวกเจ้าชายทั้งหลายก็ได้แสดงธรรมทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้บรรลุเป็นปลาหาันบรรลุเป็นโสดาบาันบ้างส ก, กาัาคาบ้างอนาค า, า, ามีบ้าง และได้ทรงประธานเอหีพิคูประสามาสาพร้อมกันหมดทั้งสามสิบรูปเพื่อนพะยศะนะ่ะก็ทั้งหมดล้ครับบวชพร้อมพร้อมกันเหมือนกันพร้อมพร้อมกันแต่ละชุดแต่ละชุดนะครับที่ค่อยๆ่อยทยอยมาก็จริงจริงก็ห้าสิบ้านี่ก็สองชุดเท่านั้นเองชุดแรกสี่ชุดหลังก็อีกอีกห้าสิบ ก็ชะดินก็บวช น, นี่เราเราฟังกันบ่อยแล้วต่อไปมาถึงรายของพระอัครส า, าวกอันนี้เข้าบรรษาที่สองพระพุทธเจ้ามาเมืองราชฤาษแล้วนะฮะก็โปรดท่านอัครส า, าวกทั้งสองอุปติสากับโกริตะแล้วก็บริวารอีกห้าสิบทั้งหมดเหล่านี้บริวารบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก่อน อีกสององนั้นเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าและยังไม่ได้บรรลุอะไรเป็นโสดาอย่างเก่าแต่ได้ทรงประธานเอหีพิคุปปสัมปทาให้แก่พระสงฆ์ทั้งหมดก็ไม่ต้องมาว่ากันใครก่อนใครหลังไม่เหมือนชุดของของพระอนุรุกับพระนอนนนเอหีไหมครับจาได้ไหมชุดเจ้าชายมีพระเทวทัตเป็นที่สุดอะแล้วก็องคุลีมาน เอหีพิคุนี่เป็นเอหีพิขุที่พระพุทธเจ้าทรงประธานบวชให้ด้วยองค์นิมิตไม่ใช่องค์จริงแต่ว่าองค์ที่ที่ไปวิ่งกันกลางทุ่งจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้วิ่งองค์ก็รีบมานวิ่งเป็นอิฐทาบิสังขารของพระพุทธเจา้าแต่ตอนสเสด็จออกจากวัดเอาไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็พักองค์จริงไว้ ในที่หนึ่งนิมิตองคปลอมเสด็จไปโปรดแล้วก็ประธานดีฮีพิคุองก็ต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งเนื่องจากองค์บริมาณเนี่ยท่านไม่มีบุญทางบริวานนะเป็นพวกนอแรกเป็นสำนวนนคำภีนนะเยี๋ยวนึกวคาผมไปด่าล่าล่าน ะ, ะนอแรคือไปคนเดียวอยู่คนเดียว เป็นโจรก็ไม่มีบริวารเป็นพระเป็นพระอระหันต์ตอนพบพระพุทธเจ้าก็พบแต่เพียงผู้เดียวไม่มีบริวารต่อย่างใดส่วนเสราพลำซึ่งเป็นคณาจารย์สอนมนต์สอนไตรเพศแก่รามลูกศิษย์ห้าร้อยเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มาเห็นลักษณะแล้วก็เลื่อมสกล่าวสดูดีชมเชยพระพุทธเจ้า เทียบเดี๋ยวนี้เราเรียก ว, ว่าสวดมนต์สมัยก่อนสวดมนต์เขาไม่สวดบทซ้ําอย่างนี้หรอกครับเป็นการคิดอย่างไรคือเรียกส่วนเสละพรามซึ่งเป็นคณาจารย์สอนมนต์สอนตรายเพศแก่พรามลูกศิษย์ห้าร้อยเมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเอ่อมาเห็นลักษณะแล้วก็เลื่อมใสกล่าวสดุดทรีชมเชยพระพุทธเจ้าเอา่อเทียบเดี๋ยวนี้เราเรียก ว, ว, ว่าสวดมนตนะ์สมัยก่อนสวดมนต์เขาไม่สวดบทซ้ําอย่างนี้หรอกครับ เป็นการคิดอย่างไรคือเรียกว่าบทสวดมนต์สมัยก่อนเรียกเป็นคําชมเชยตัวผู้นั้นรู้สึกอย่างไรรู้สึกได้แค่ไหนก็กล่าวสะดุดีอย่างนั้นทีนี้เสลรามเมื่อมากล่าวสะดวดีพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทรงรับคําชมนั้นด้วยอาการปกติเสลราลรู้ว่าคือคําชมเนี่ยมันวัดภุม่มคนได้นะบางคนนีได้รับคําชมแล้วก็เขินบางคนได้รับคําชมแล้วก็ ตื่นเต้นชื่นชมยินดีเกินเหตุบางคนได้รับคําชมแล้วก็อยู่ในอาการที่ไม่รับและปฏิเสธแสดงท่าเป็นปกติเสลพรามเนี่ยก็รู้พอกล่าวชมพระเจ้าอานี่พระเจ้าทรงไม่เขินไม่ปฏิเสธแล้วก็ทรงไม่แสดงอาการชื่นชมยินดีออกหน้าเหมือนพวกบ่ายห อ, อ ก, ก็รู้เลยว่าคนคนนี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย จากดูลักษณะแล้วแล้วก็มาลองใช้คําชมดูแล้วสามารถอธิบายคําชมนั้นได้ว่าตรงนั้นตรงนั้นเป็นเพราะอย่างไรอย่างไรคนชมเป็นอย่างไรคําชมเป็นอย่างไรคนถูกชมเป็นอย่างไรจะแดงธรรมะให้ปัญญาแก่คนได้เพราะคําชมนั้นจระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าคําชมของผู้ที่ยังเป็นผุ้ดิชนอยู่เนี่ยไม่เข้าถึงแม้ส่วนอันน้อยนิดแห่งความเป็นจริงของเราสถาคต อย่างนี้ไม่ใช่พูดเพื่อยกตัวนะแต่พูดเพื่อเป็นการนำทางเข้าสู่ธรรมะแล้วไม่ใช่ดูถูกคนชมด้วยแต่เป็นการให้ข้อได้จริงแก่คนชมคาชมและคนถูกชมต่อมาอเสลพรามกุลสิทธนะ์ก็เอหิไปพร้อมกันเหมือนกันพอบวชเป็นพระนี่เลยก็ก็ไหวไปถ้าบวชพร้อมกันก็ไหวไปตามฐานนะ ฐานะว่าคนนี้เป็นฐานะอาจารย์ก็ไหวกันไปหรือคนรรษาต่ำบางทีก็ไหว้พระที่มีอวสูรอ่อนกว่าในฐานะอาจารย์ได้หรือในฐานะของความผูกพันเก่าเอามาเป็นเกณฑ์ก็พอได้อย่างเช่นเป็นพ่อเป็นลูกกันอย่างนี้นะแต่อย่างนี้ก็พระเซระลูกศิษย์ก็ต้องไหวเสละพะในฐานะเป็นอาจารย์เดิมเป็นผู้นําเข้าสู่วัดด้วย ่ันมหากัปปินะนี่เป็นพระราชาที่วามาโดยลำดับเนี่ย อ, องนี้เป็นพระราชาด้วยเอหีพิกูประสัมมาด้วยแล้วก็บริวานอีกหนึ่งพันที่เป็นอัมมาตเป็นขาราชบริพานสมัยยังครองคารวาดอยู่ก็ได้ตามเสด็จออกปวดมาพบพระพุทธเจ้าที่ท่าน้ำแห่งที่สาม ได้ทรงประทานเอหิพิขูปะสัมพทาก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอารหัคือบวชก่อนบรรลุเก้ากลุ่มที่เก้าคือชาวเมืองกบิลพัทหนึ่งพันก็ดูตัวเลขแล้วค่อนข้างจะใหญ่โตที่พระเจ้าสุโธตนาหมหาราทรงมาอาราธนาพระผู้มีพระภาคสเสด็จกลับ ตอนที่พระผู้มีพระคาได้ข่าวพระเสด็จมาที่พระเชตวะที่เมืองมคตแล้วก็ส่งคณะมามีหัวหน้าคณะหนึ่งแล้วก็มีบริวารอีกรวมแล้วก็พันหนึ่งคณะหรือจะพันหนึ่งก็ตัวเลขไม่เอาแน่ถึงขนาดนั้นตีเฉลี่ยว่าเป็นพันหนึ่งตั้งสิบคณะมาจนกระทั่งถึงคณะของพระกาลุทายีที่เป็นสาชาตถึงพระาศาสดานิมนต์กลับไปได้โดยที่ เป็นอหรหันต์กันหมดเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคนซึ่งคณะทั้งหมดเนี่ยครับมีคนคิดจะบวชอยู่คนเดียวคือท่านกาลุทายีลุบริวานท่านแล้วคณะอื่นก็ไม่เคยคิดจะบวชแล้วก็ไปเพื่อจะนิมนต์ไปราชการนั่นเองทว่าไปแล้วนะไปสนองพระราชประสงค์ของพระพุทธบิดาเสร็จแล้วไปฟังธรรมแล้วก็ ศรัทาบวชโดยไม่ได้มีบุพเาเจตนามาก่อนอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้มีจิตสแสวงหาคนที่ได้ธรรมะเพราะไม่มีบุพเาเจตนาสแสวงหาในชาตินี้แต่ชาติก่อนต้องมีแล้วมัน ม, มาได้ธรรมะอย่างนี้ยมีทุกสมัยเรื่อยมาแล้วไม่คิดจะบวชแล้วก็มาบวชส่วนท่านการุทายีเนี่ยคิดจะบวชแต่ความคิดจะบวชของท่านการุทายีเนี่ยเพียงแต่ว่าบวชเพื่อที่จะเอาเป็นหนทางที่จะเอาพระพุทธเ้ากับ ก็ไม่ได้นึกเกินเลยไปถึงว่าบวชแล้วจะได้อะไรยังไงหรอกแต่เอาข้าจริงก็ได้เกินกว่าที่คิดถึงได้กราบทูลกับพระพุทธบิดาตอนส่งไปว่าถ้าะไรข้าพระองค์เนี่ยพึงได้บวชถ้าได้บวชเท่านั้นจะเป็นหนทางที่จะนำพระลูกเจ้าเสด็จกลับพระนครได้ต่อมาอีกคณะหนึ่งก็คือคอณะของมานพสิบหกคน เป็นหัวหน้าคณะไม่ใช่แค่สิบหกนะมีบริวารโดยรวมๆกันอีกพันหนึ่งที่ไปเฝ้าพระศาสดาและบรรลุเป็นพระอารหาันต์ได้ถามปัญหาสิบหกสบหกท่านเนี่ยครับโซลสาปัญหานั่นแหละนี่ก็เป็นเอกพิคุกคือบรรลุแล้วถึงได้บวชฟังธรรมะแล้วถึงได้บวช นี่เป็นการบวชโดยเอหิพิกุุปะสัมปทาเรามีประวัติน้อยมากถ้าจะว่าแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะมีมีประวัติเยอะมากมายรายละเอียดแต่ละองค์เยอะแต่เมื่อดูยอดพระอราหันต์ตามตัวเลขนี้แล้วเรารู้จักชีวิตพระอราหันต์ไม่หมด ร, รุ่นเราเรานึนกได้แต่ว่ารุ่นนั้นเนี่ยแล้วพระอราหันต์เนี่ยท่านมักจะไม่ค่อยแสดงตัว แสดงก็สแสดงแต่คนเฉพาะบางพวกบางเหล่าเลิกสมัยนั้นกับาระอรหันต์มากไม่มีการเก็บเรื่องบันทึกความมาไว้ก็ดูจะเห็นเป็นเรื่องเล็กๆ น, น้อยๆไม่มีความสําคัญตามความเคยชินพอกการล่วงมาล่วงมาเราก็เริ่มมาเห็นความสําคัญพอมาเริ่มเห็นความสําคัญข้อมูลก็หมดเลยเลยเหลือชีวิตพระอรหันต์ให้เราศึกษาเนี่ยเป็นเอาแค่ได้ทราบชื่อเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นั่นเอง อย่างลูกศิษย์ของอย่างพระที่มาจากเมืองกบิลพัทหนึ 1, ่งมืนรูปเนี่ยไม่รู้ชื่อว่าอะไรบ้างบางองค์อาจจะรู้แต่ส่วนมากไม่รู้อยู่ดีตอนนี้โดยอุปสมบทด้วยวิธีการอื่นที่อธิบายเน้นไว้ในเรื่องการรับโอราโอวาทคืออุปสมบทด้วยไตราสารณาคม คือให้ตั้งให้ถึงไรศนาคมเหมือนอย่างบวชเนรนะแต่สมัยก่อนน่ะบวชปลาด้วยคือตั้งน้โมสามจบนี่เป็นปลาเลวไอเราก็ตั้งกันมาหลายผลไม่ได้เป็นปลาสักทีเพราะเราไม่ได้ตั้งเพื่อบวชต้องมีว่าตั้งเพื่อบวชนะคือมีเจตนาเพื่อบวชแล้วก็พุทธัทงสรารนังทุติยามปีตาติยามปีเป็นเลยแค่นั้นไม่ต้องทําอย่างอื่นแต่ว่าพวกที่บวช ด, ด้วยวิธีอื่นก็จะต้องถึงไตรศนาคมเหมือนกัน ถือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ยืดออกไปบทชด้วยการรับโอวาทคือพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทเหมือนอย่างที่กระทําแก่ท่านมหากัสปะตัณหากัสปะนั้นจึงไม่ใช่เอหิพิคูปะสมธาพระพุทธเจ้าอนุญาตบวชด้วยการหาให้โอวาท ด, ดังที่ได้คัดข้อความมานี่แหละครับอ่านนั่นหน่อยก็ได้ว่าได้ทรงโอวาทว่า กัสรปาเพราะเหตุนั่นนั่นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเข้าไปตั้งฮีโอตปาอย่างแรงกล้าไวในพระเถระผู้ใหม่ผู้ปานกลางกษัตรปาเธอพิงศึกษาอย่างนี้แหละอันนี้เป็นเรื่องโอวาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระสงฆ์นะครับกั์ป่าเพราะเหตุนั่นแหล ะ, ะเธอเพิงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจากฟังทำรร อย่างใดอย่างหนึ่งอันประกอบด้วยกุศลจากกระทำํำทำทั้งหมดนั้นให้เป็นประโยชน์กระทาไว้ในใจประมวลไว้ด้วยใจทั้งหมดจากเงี้ยวหูฟังธรรมกาสปาเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหละออันนี้ก็ในส่วนแรกนะกัลยาณมิตรส่วนนี้คืออการฟังธรรมส่วนต่อมา เพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงศึกษาอย่างนี้เราจากไม่ละสติอันเป็นไปในกายอันเป็นไปพร้อมกับความยินดีกัสปาเธอพึงศึกษาอย่างนี้แหล ะ, อ, ะอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของอายุในข่ายของโยนิโสมิติการหรือการปฏิบัติธรรมสืบต่อมาจากการฟังธรร ม, มนั่ก็ว่านุบิชาทโปรดแกชั้นกัสปาก็คือที่มาของธรรม กัลยาณมิตรแล้วก็เมื่อพบแล้วก็ฟังธรรมของกัลยาณมิตรฟังธรรมแล้วก็เอาธรรมมานำมาปฏิบัติด้วยยกสติขึ้นเป็นประธานอนี่เป็นรายที่บวช ด, ด้วยรับโอวาทโ ด, ดยการสอนสอนจบก็เป็นเลยออีกก็อีกอย่างหนึ่งคือบวช ด, ด้วยให้พยากรณ์ปัญหานี่เหมือนการสอบนะครับเหมือนการสอบสอบเข้า สู่เพรพรหมปรจันเพศบรรณชิตอย่างการณีเรื่องของพระโสปากะที่เป็นเด็กที่คนสเปลเหลอเลี้ยงนะครับอยู่ในปา่าช้าแม่ตั้งคันพ่อหายสาบสูญไปพอคันแก่แม่คลอดไม่ออกถึงก็สลบไปญาติปีน้องนึกว่าตายเอาไปเผาบนเจิงตะกอนฉุดไฟเผาแล้วก็พากันกลับบ้าน เทวดาในประวัติบอกว่าเทวดามาทำคลอดก็เห็นว่าเด็กที่อยู่ในคันเป็นคนมีบุญมีภบชาติสุดท้ายคลอดเสร็จแล้วก็ไปสำแดงแก่สับปเปลอให้เลี้ยงเลี้ยงจนกระทั่งโตก่อนจิงก็อายุสัประมาณเจ็ดขวบเทนั้นเองพูะเจ้าแผ่ขายพยานมาเห็นเข้าจึงได้เสด็จเสด็จมาไม่ใช่เสด็จมาแผ่รัศมีมาและ สแสดงธรรมตั้งปัญหาสอบถามเพื่อให้บวชเพื่อตั้งปัญหาสอบถามได้ในนี้ก็ไอ้บวชในตอนหลังแสดงธรรมก่อนก็คือเมื่อมาอยู่ที่วัดวารามแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ที่เมืองสวัตถีที่บุพารามสเสด็จเดินจงกรมอยูอ่โสปา ก, กะมาสู่ที่นั้นท่านก็ตั้งปัญหาถามทำม า, าที่เรื่องเกี่ยวกับอสุภนะนะฮะ อุทุมาตะกระกาสุภาษสัญญาหรือรูปสัญญาเนี่ยเป็นอันเดียวกันเป็นการถามถามเพืพ่อนๆกว่าเหมือนถามเด็กรูปสัญญาคือภาวนาสัญญาที่มีอารมณ์เป็นรูปสุภาษนั้นถือเป็นกรรมฐานที่เป็นรูปประชานอย่างหนึ่งเป็นรูปอารมณ์อย่างหนึ่งรูปกรรมฐานอย่างหนึ่งนั่นเองอัดอันเดียวกัน ท่านก็ตอบผ่านตอบผ่านแล้วก็เลยได้เป็นอันได้บทสําหรับยติจตุตกรรมมาวาตาท่านมอาวาจาท่านบอกเขาปรากฏชัดแล้วท่านเลยไม่อธิบายไปให้ฟังอพวกเราคงเคยได้เข้าไปในโบทเ ว, วลาเขาบทหนักใช่ไม่ใช่ในมีใครไม่เคยไปเห็นเขาบวหนากเลยตั้งแต่เกิดมาจานแบบนี้มีบ้างไหมมีกขาตอบเงียบๆอา้าวมีคนเนะอาศาสตอบ ไม่อยากให้ยกมือกลัวจะเสียน้ามนเนีเ่ยแหละก็น่าจะลองมีโอกาสเข้าไปดูในโบสถ์นะฮะแล้วก่อนที่จะไปก็ลองศึกษาอุปสมบทวิธีชนิดนึ่งว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเวลาเข้าไปได้รู้อ๋อนั่งองค์นี้อุปจาร์นั่งองค์ น, งงนี้อาจารย์นั่งองค์นี้คู่สวดเลยแล้วก็พอเขาลุกมาตรงนั้นตอนนี้ก็ไปทําอะไรกันคลิกกระซาบอะไรกันแล้วเวลาเขาถามตอบอะไรต่างๆเนี่ยถามเขาพูดหมายความว่าอะไรกัน อยู่ในเงื่อนไขวินัยหมดแต่เอเมื่อวันประหัตตอนบ่ายไปบวชลูกชายคนเดียวของคู่สามีภรรยาที่เป็นนักเรียนธรรมะเก่าแล้วก็ยังติดตามศึกษาอยู่ในปัจจุบันนี้ทางไปบวชลูกก็เลยไปร่วมกิจกรรมนั้นด้วยที่วัดป่าแห่งหนึ่งวัดของท่านอาจารย์มั่นนะครับที่เชียงใหม่ ก็เราดูหัวข้อต่อไปโดยอุปสมบทต่อหน้าและรับหลังอันนี้ก็คล้ายๆ ก, กันกับเอหิหรือไม่ใช่เอแต่ว่ามีส่วนต่างกันตรงนี้คือว่า <c oughs> ถ้ากล่าวโดยอุปสมบทต่อหน้าแน่ๆเนี่ยต่อหน้าพระพักจริงๆคําว่าต่อหน้ามีอยสองความหมายหนึ่งพระศาสดายังมีพระชนชีพอยู่ เรื่ว่าสมัยพุทธากาลสองเฉพาะพระพักกจริงๆนี่อันหนึ่งท่านหมายเอาสองอย่างนี้อาจจะทั้งสองอย่างหรือไม่เต็มทั้งสองอย่างก็ได้คือในรายที่บวช ด, ด้วยเอหิพิกขุนเนี่ยสมบูรณ์เลยครับต่อหน้าเฉพาะพระพักภาษาสดาด้วยแล้วก็บวชโดยภาษาสดาด้วยในสมัยพุทธากาลด้วยนั่น ส่วนผู้ใดที่บวชโดยวิธีอื่นและแม้บวชกับบุคคลอื่นแต่เป็นสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่เรียกว่าบวชสงครอบเป็นบวชต่อหน้าเหมือนกันคำว่าต่อหน้ามหมายถึงบวชและได้ทันเห็นพระพัร์พระศาสดาหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ทันเห็นทั้งพระองค์ยังอยู่ก็อาจจะมีก็ได้นะ พอปรินิพานแล้วก็เลยอดเลยอดได้เห็นพระองค์จริงนั้นสมัยก่อนเนี่ยพาราของสง์อย่างหนึ่งที่ไม่ใช่จําใจทําคือเมื่อออกพรรษาเนี่ยพระท่านจะมาจากที่ต่างๆมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็จะพามาที่นั้นไปด้วยความเต็มใจไกลแค่ไหนก็แล้วถ้าไม่ไกลเกินไปนักก็อาจจะมาช้าไปเย็นกลับตามเงื่อนไขวิถก็คงจะ อธิบายแค่นี้ก็เข้าใจได้แล้วนะครับสำหรับกรณีบวชต่อหน้ารับหลังพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นในสองส่วนนี้อย่างครบถ้วนเนี่ยแ ต, แต่ถ้าถามปัญหาปัญหาหนึ่งขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าจะตอบได้หรือเปล่าเอาเอาแน่นอนได้หรือเปล่าว่าพระอาหารหันต์ที่เป็น สมัยพระพุทธเจ้ากับหลังพุทธกาลเนี่ยใครมากกว่ากันสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วงระยะเวลาแค่สี่สิห้าพรรษาเท่านั้นนะหลังจากนั้นเป็นร้อยเป็นพันปีถ้านึกคร่าวๆโดยเวลาเราก็อาจจะนึกว่าหลังพุทธกาลน่าจะมีมากกว่าแต่ถ้าว่าถึงปริมาณจริงๆสำหรับคนที่มีบา ร, รมี เกิดทันพระบุตรเจ้าแล้วก็พร้อมจะเป็นพระอรหันต์และจะต้องมาเป็นพระอรหันต์ในสมัยนั้นควรจะต้องมีมากนั้นยิ่งนานเข้าเนี่ยอรหันต์จะได้สักองค์เนี่ยนะจะคลอดออกมาจาก อ, อธรรมคันในอริโดยอริยชาติสักองค์เนี่ยจังยากเย็นแสนเข็นเลยเพราะฉะนั้นพันปีหรือร้อยปีอาจจะผ่านไปเปล่าๆไม่มีพระอรหันต์สักลูกก็ได้ แต่ในสมัยพระพุทธเจ้ายังสนว่าชนชีพอยู่นั้นก็จะใช้คําพูดนี้ก็เพื่อจะเพียงจะแสดงว่าละหันเนี่ยพระลาหันเกลื่อนไปหมดเดินชนลาาระละหันตามถนนใสบาดพาาราละหันเนี่เลยก็หลับตาใสยังได้เลยครับยกบาไดไปเนี่ยหลับตาใสเจอละาหานเจอเนื้อนาบุตรมันเกิดสมัยนั้นก็ดีอย่างนี้แนหะดีอย่างนี้ดีดีชั่วช่วงงเอาเอาไ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง ตามๆ้าไปนี่นะครับแหมมันเป็นบุญรับอยู่หลังจากนะใส่บาตรเป็นอหรหันต์เลยแต่ก็จําไว้ว่าถ้าไม่เป็นคนดีจริงอย่าได้ไปเกิดยุคที่มีอหรหันต์มากเลยนะไม่ดีจริงอย่าได้ไปเจอพระปัจเจกเจอพระพุทธเจ้าไม่งั้นเราจะสวยไปไม่รู้กี่แสนกี่กับเพราะว่าถ้าเราไม่ดีไปอยู่ไปเจอคนดีเข้าเราจะเสียประโยชน์อย่างรายแหลง อันนี้ว่าถึงโดยวิมุติและอภิธานพูดถึงวิมุตสองอย่างอารหัน์บางพวกเป็นอุปตโตภาคาวิมุตแปลว่าหลุดพ้นในสองส่วนโดยส่วนสองปัญญาวิมุตตรงนี้ท่านไม่ยักเรียกว่าเอกโตวิมุตแต่เรียกว่าปัญญาวิมุตยกเอาปัญญาให้เป็นประธาน อุปโตภาคาวิมุตต์ไม่ได้ยกใครเป็นประธานเพราะว่าเสมอหน้ากันซึ่งมีอธิบายว่าผู้ที่เป็นอุปโตภาคาวิมุตต์เนี่ยหลุดพ้นสุดยอดทั้งในสายสมถะสุดยอดทั้งในสายวิปัสสนาต้องต้อ ง, อ, งอย่าลืมคําว่าสุดยอดเลยนะสายธรมถะที่ว่าสุดยอดคืออรูปฌานสูงสุดท่านอรูปฌานได้อรูปฌานถ้าได้แคอรูปฌานยังไม่ไม่นับเป็นสุดยอด ยังไม่นับว่าหลุดพน้นล่วงส่วนในสายพระมิตรเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ได้รูปฌานเนี่ยเมื่อได้รูปฌานแล้วยังติดทั้งรูปทั้งนามถ้าได้อโลปฌานแล้วละความใยดีในรูปเหลือแต่ความใยดีในานามแต่เพราะว่ามันตันแค่นี้ก็เลยนับว่านั่นละล่วงส่วนนหะสุดสําหรับวิปัสสนาที่นับว่าสุดยอดสายวิัสสนานั้น ค้นจากกิเลสความยึดติดในรูปในนามทั้งหมดโดยเด็ดขาดด้วยไม่ใช่โดยข่มไว้ใครที่เป็นอรหันต์คือสุดยอดสายวิปัสสนาได้อรูปฌานสุดยอดในสายสมาธิสมถะเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์แล้วก็พวกนี้ก็มักจะได้ฌานกันล่ละครับมีพลังสูงมากพวกนี้อีกพวกหนึ่งปัญญาวิมุตต์ปัญญาวิมุตตนั้นมีสองครับ คือพวกรูปปั้นหลาผีอหรหันรูปปั้นหลาภีพวกนี้มีฤทธิ์ได้ได้ได้รูปปั้นเนี่ยก็สามารถทรําฤทธิ์ได้แหละแต่ว่าได้แค่รูปปั้นแล้วก็สุดยอดคือฝ่ายสมถะมาได้ครึ่งหนึ่งฝ่ายวิปัสนาไปได้สุดยอดจึงยกเอาสายวิปนะัสนาเป็นประธานเรียกว่า พ้นในสายของปัญญาคือปัญญาวิปัสสนาส่วนสายฌานไม่พ้นก็ไม่ไม่พูดถึงออกมาเป็นการให้ความสำคัญมีสองพวกนี้แล้วก็สุขาวิปัสสกะบางที่ไม่ได้พูดสุขาวิปัสสกะคืออยู่ในกิ่งหนึ่งของปัญญาวิมุตติมนี่ไม่ได้ฌานเลยจะได้สมาธิขั้นไหนก็ตามจะไม่ได้ฌานแล้วกันเป็นสุขาวิปัสสกะบรรลุโดยที่ไม่มีฌาน เป็นบาทไม่มีฌานเจือด้วยประกอบด้วยเป็นอรหันต์ไม่มีอาภินิหารในทางพลังจิตเลยคืออรหันต์พวกสุกาวิปัสสตะเวน้นแต่ว่าท่านจะมีบุญมีอะไรเข้ามาช่วยให้เกิดวิิหารนั้นไม่ใช่เกิดจากฤทธิ์ของท่านคราวนี้มาว่าโดยอั ป, ปทานที่บอกว่ามีอ ป, ปทานแล้วไม่มีอั ป, ปทานเนี่ยหมายถึง บุพกรรมเก่าบาลามีที่สร้างคำว่าไม่มีหรือมีในที่นี้ท่านหมายเอาที่จริงนวต้องมีทุกองค์แต่เวลาท่านเล่าประวัติท่านบางองค์ท่านไม่ได้เล่าถึงบุพกรรมอย่างท่านสังกิจจาเนี้นะไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าว่าท่านไปทำดีทำอะไรไว้ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยแต่ส่วนมากเล่าเพราะนั้นอรหันต์องค์ใดที่เล่าประวัติของท่านแล้วไม่เล่าเลยไปถึงชาติปางก่อน ว่าไปทําบุญทําูุสนอะไรไว้จึงได้มาเป็นอรหันเช่นนี้เช่นนี้ได้วิบากเช่นนี้เช่นนี้เรียกว่าอรหัน์ที่ไม่เล่าอภิทานผู้ใดที่เล่าชื่อว่าเป็นอรหันเล่าอปิธานจึงปรากฏอรหันตบางองค์จึงปรากฏในปภิธานบางองค์ง น, น, งององนั้นไม่ปรากฏอภิธานคือหมายถึงท่านเล่าหรือท่านไม่เล่าอปิธานคือไปทําบุญกับ อย่างเช่นพระสัมมาทิฏเจ้าพระประเจกุติเจ้าหรือพระสาวกของพระพุติเจ้าซึ่งท่านจะต้องได้มีส่วนไปพบไปเห็นไปทำอย่าง น, น้อยก็ต้องอรหันกับอรหันตสาวกถ้าเป็นเป็นอาศีตีหมาสาวกนี่ต้องเจอพระพุติเจ้าด้วยถึงจะได้เป็นสาวกชั้นดีอาศีตีนั้นมีบทอธิบายของท่านไว้ในลำดับต่ อ, ตอไป ทีนี้ก็มาพูดถึงประเด็นที่ขึ้นหัวข้อว่าพิโมกสามนี่ลงลึกลงไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วพิโมกที่แปลว่าความหลุดพ้นความหลุดพ้นมีอาการหลุดพ้นคุณสมบัติในทางหลุดพ้นเพราะอาการนั้นเป็นสามอย่างอในหนังสือโดยลำดับว่าพระอริยสาวกเหล่านั้น แม้มีสามเหล่าดังกล่าวมานี้ก็เป็นสามเหล่าโดยประเภทอะนิมิตตาวิโมกเป็นต้นทั้งมีเป็นสามเหล่าด้วยบรรลุวิโมกก็มีตัวนี้ท่านพูดแบบล่อๆอย่างลัดๆอย่างเข้าใจกันหรืออย่างจะได้พูดพิสดารต่อไปท่านว่าต่อไปว่าจริงอยู่ วิโมกมีสามดังนี้คือสุญญตาวิโมกความหลุดพ้นโดยความว่างเปล่าอันนี้มิตาวิโมกความหลุดพ้นโดยความไม่มีนิมิตอภรรญิตาวิโมกหลุดพ้นโดยความไม่มีที่ตั้งก็วิโมกสามเหล่านั้นมีสุญญตาวิโมกเป็นต้นพึงบรรลุ ด, ด้วยอนุปัสนาสามอนุปัสนาหมายถึงยานที่เห็นไตรลักษณ์อะไรออกหน้ามีอนิจจานุปัสนาเป็นต้น ก็เบื้องต้นย่อมมีการยึดเอวิปัสนาด้วยอาการอย่างใดยอย่างหนึ่งในบรรดาอาการมีความไม่เที่ยงเป็นต้นพระเถละเหล่านั้ น, บ า, น, น, นาบางพวกหลุดพ้นด้วยอปปนิมิตตวิโมกบางพวกหลุดพ้นด้วยปณิตวิโมกบางพวกหลุดพ้นด้วยสุญญตาวิโมกก่อนที่จะอธิบายเนี่ยก็พูดซะว่าอในรายละเอียดของพระอานพ่อเจาะลึกเข้าไปถึง ปฏิปทาเจาะเลือ ก, กไปถึงวิโมกเนี่ยชักเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านมากขึ้นเราไม่อาจจะรู้ได้ทั่วทุกองเพราะว่าบางองค์ไม่ได้บอกชัดไว้บางองพอมีเขาสันนิษฐานบางองค์ไม่มีเข้าสันนิษฐานเจ้าก็ตอบได้ ว, ว่าส่วนมากเราไม่รู้แม้เข้าสันนิษฐานบางองค์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะนิษฐานได้เรารู้ได้เป็นบางองค์สันนิษฐานได้เป็นมอง่านั้นอันนี้ก็บอกไว้ไวเช่าก่อน น, นเวลาบทไปไปถึงบทสรุปอันนี้เนี่ยก็จะมีสรุปเท่าที่สรุปได้ตามที่อย่างน้อยที่สุดก็มีเขาบอกไว้อันนี้จะอธิบายว่ า, าวิโมกเนี่ยคืออะไรวิโมกหมายถึงมรรคและหมายถึงนิพพานด้วยก็เอาง่ายๆมรรคผลนิพพานเรียกว่าวิโมกโดยอนุ ป, ปัสนาหมายถึงวิปัสนา วิปัสนาเป็นอย่างไรวิโมกเป็นอย่างนั้นวิโมกเป็นอย่างไรเพราะวิปัสนาที่นำมาถึงวิโมกเป็นอย่างนั้นคือเวลาคนทำวิปัสนาเนี่ยทาไปถึงยานสูงเนี่ยก็จะกำหนดนามรูปโดยความเป็นอนิจจงทุกขังและอนัตตาใครที่กำหนดเห็นอนิจจงเมื่อบรุมาก ท่านเรียกมรคนั้นว่าอะนิมิตตาวิโมกเรียกนิพพานที่เป็นอารมณ์ของมรคนั้นว่าอะนิมิตตนิพพานเรื่งความจริงในเนื้อหาเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันแต่ต่างกันเพราะที่มาใครที่ทําวิปัสสนาเห็นทุกมรคนั้นเรียกว่าอะอปปนิหิตตวิโมกนิพพานนั้นเรียกว่าอปปนิสิตนิพพาน เรียกไปตามที่มาในคุณสมบัติของมรรคไม่มีอะไรต่างกันใครที่ทําวิปัสสนาเห็นอนัตตาเป็นตัวแานบรรลุนิพพานบรรลุมรรคจะเรียกว่าสุญญาตาวิโมกข์กานี้อธิบายซะหน่อยว่าอานิจจังในเห็นความไม่เที่ยงไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยมันถอนนิมิตนิมิตว่าเที่ยงนิมิตว่ามีว่าเป็น ไอ้นิมิตอะไรที่มันปรากฏเนี่ยเพราะเราไม่เห็นจุดตัดไม่เห็นความแตกทํำลายมันเลยออกมาเป็นรูปนิมิตเป็นชิ้นเป็นอันเห็นเป็นรุ่นเป็นนี่แต่พอเห็นปณิจังแล้วนิมิตหายหมดขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีคนก็ไม่มีเดินก็ไม่มีนั่งก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีมักเลยถูกเรียกด้วยอํานาจของเหตุแห่งการเข้าถึงว่าอนิมิต ไม่มีนิมิตทุกขานุาปัสนาอปปนิตาแล้ว่าเป็นที่ตั้งคือเป็นที่ตั้งของตันหาที่อาศัยของตันหาเป็นที่ตั้งของความชอบใจเมื่อคนกำหนดเห็นเป็นทุกข์แล้วเนี่ยตันหามันไม่เข้าไปตั้งอาศัยคนที่กำหนดทุกขานุพัสนานี่จะทำลายความยินดีจะเอาชนะความยินดีทุกทุกอย่างได้ดีที่ที่สุดได้ดีกว่าเพื่อนอบรุณมัคบรุนิพาน นิพพานนั้นได้มาด้วยอํานาจของการเห็นทุกข์เลยท่านก็เลยเรียกไปตามเรากําหนดนามรูปของเราเห็นทุกข์เนี่ยชื่อว่ากําหนดในลักษณะที่ได้ความทําลายความติดถ้าเราไม่เห็นเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ติดเราก็ชอบในานามรูปในภพชาติเมื่อเห็นเป็นทุทกข์แล้วความเป็น ถือว่าเราทำลายความเป็นที่ตั้งของตันหาอนัตตาโนปัสสนาวิปัสนาที่กำหนดอนาตานั้นเวลาเบลุนิพานและเห็นเป็นสุญญาตาเพราะอนาตตาไม่ใช่ตัวตนสุญญาตาคือว่างเปล่าจากความเป็นตนและของเรียกว่าโลกศูนย์โลกว่างเปล่าไม่มีอะไรเป็นของใครเลยตรงนี้นะแต่ละลมเนี่ยนะถ้าเราพอนึกเข้าใจได้บ้างในชั้นต้นๆเราเนี่ยบางเรื่องก็น่าใจหายอย่างอนาตตาเนี่ยนะ เวลาเราพูดถึงหน้าตาเรามักจะรู้สึกว่ามนน่ากลัวมันไม่น่าจะให้เราให้เราเนี่ยไม่ทําอะไรมันไม่น่าชอบใจเลยใช่ไหมใช่เวลาพูดถึงหน้าตาไปนิพพานแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือทํากรรมก็ไม่ใช่ของเราตอนเราทำเหน็ดเหนื่อยที่เราตาตาไปจะมาสเสวยก็อย่างหนึง่งเวลาเราถามเราก็บางทีเราพูดเพื่อจอะแสวงหาสิทธิของการทํากรรมมันไม่มีมันน่ามันน่าว้าเหวมากกันแล้วกันแหละ แค่เราเราสมัมผัสกันระดับเบื้องต้นเบื้องต้นอย่างเราเนี่ยมันหน้าว้าเวหาที่พึ่งตั้งหลักไม่ถูกแรง ว, ว้าวุ่นวายมากกับตอนที่เรายังใหม่ใหม่กิเลสมันก็แทรกวัยุให้ไปในทางเสียซะหมดเลยเกิดความเห็นผิดเกิดความไม่ชอบใจเกิดความไม่เห็นประโยชน์กับอนัตตาขึ้นมาทุกข์ก็เหมือนกัน นำรูปเป็นทุกข์ไม่เป็นที่ตั้งคือเราทุกวันนี้เราพอมีขวัญกําลังใจอยู่บ้างเพราะว่าเรานึกถึงตัวเรามันพอไม่แห้งแลง้งใช่ไหมพอรู้สึกว่าเออสองกาะจกหน้าเรายังพอเป็นมนุษย์สวยงามอยู่บ้างเ อ, อยังพอแข็งแรงแขนขาเรายังอยู่ไม่เป็นโรคร้ายแรงอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าพอจะมีขวัญพอมีเรื่องมันมีที่พึ่งมีความมั่นคงมั่นใจในชีวิตแต่ถ้าไปเห็นมันมันมีแต่ทุกข์ ไอความรู่สมก็เป็นอีกแบบตัณหามันอยู่ไม่ได้และถ้าเรามาติการไม่เป็นไม่ละเอียดในธรรมะแล้วก็จะกลายเป็นว่าเห็นธรรมแล้วเป็นทุกข์ด้วยกิเลสแล้วก็เบื่อหน่ายธรรมะที่ทําให้เราเห็นอย่างนี้ไม่เบื่อหน่ายชีวิตอย่างคนเห็นธรรมาเบื่อหน่ายชีวิตแล้วก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่ทําให้เราไม่เห็นอย่างนี้แล้วอนิจจังก็อนิมิตตาอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันที่เรียกว่าเป็นนิมิต มันถูกทอนถูกซอยไปเรื่อยเราก็ไม่เคยชอบเราชอบอะไรที่มันเป็นเป็นผืนเป็นชิ้นเป็นอันไม่ต้องการให้มีการตัดตอนแต่ของความจริงเราต้องการความมั่นคงเป็นชีพเป็นอันเนี่ยมันก็ถูกหละแต่ว่าเราไปหมายเอาในสิ่งที่ผิดอย่างเช่นเราต้องการความเที่ยงไปหมายเอากระสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็ทําให้เราไม่สมหมาย พระรูปเจ้าท่านไม่ปฏิเสธความมุ่งหวังอันนี้เสียทีเดียวเพียงแต่ถอนความคิดออก อ, อันเก่าออกไปใส่ความหมายใจที่เป็นรสชาติทางกุศลเข้ามาทางปัญญาเข้ามาจะได้ไปหมายเอาหมายพึ่งพาในสิ่งที่มันเป็นจริงๆสมกับที่เราปรารถนาอยากจะได้พระอรหันตุกองค์เนี่ยอันนี้ท่านย้ําไว้เลยว่าทุกองค์จะได้ อ, น, อนุปัสนาคนละแบบอนุปัสนาที่มันมาเป็นสามแบบก็มีเหตุอ ด, ดีตเหตุเก่าอีกเหมือนกันเหมือนมักเนี่ยก็มักเป็นอย่างไรก็มาจากวิปัสนาอันเป็นปฐมเหตุกานนี้โดยปฏิปทาตรงนี้ท่านอธิบายไว้เยอะครับและเป็นเรื่องที่อย่างเราคงจ ะ, จะชอบฟัง ปฏิปทาที่ตามตับแปล ว, ว่าข้อปฏิบัติหรือบทกระทําหรือมทางเฉพาะทางเฉพาะปฏิปแปลว่าเฉพาะปฏิทาแปลว่าทางทางเฉพาะหมายถึงว่าใครทําใครได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของใครของมันใครต้องทําเอาเองใครต้องได้เอาเองแล้วก็ไอ้ปฏิปทาเองก็มี ลักษณะแตกต่างของแต่ละคนแต่ละคนต่างกันไปอีกไม่มีใครที่มีปฏิปทาทั้งสี่ในโอกาสเดียวกันในคราวมรดเดียวกันอาจจะต่างมรดกันได้หมายความมรดกที่หนึ่งปฏิภทาแบบหนึ่งมรดกสองปฏิปทาแบบสองมรดกสาปฏิปทาแบบสามมรดกสี่ปฏิปทาแบบสี่แล้วก็มีบางคนที่มรดกทุกมรดกลงในปฏิภทาเดียวกันเช่นปฏิภทาที่สี่เช่นกรณีของ พระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิปทาเดียวแล้วกออ็อย่างพระพัยยะทารุจริยะนี่ก็ปฏิปทาเดียวอันนี้เป็นข้อตันนิฐานเอาจากากรณีเอตทัคข้าท่านแต่พระสารีบุตรหรือพระโมคคัลลานะอย่างพระโมคคัลลานะนี่ปฏิปทาไม่ใช่ปฏิปทาเดียวมีสองปฏิปท า, าเดี๋ยวผมจะว่าให้ฟังเรามาดูบทอธิบายของคำว่าปฏิปทาสี่ ที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาสุขทุกขาปฏิปทากิบ ป, ปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขขาปฏิปทากิบปาปิญญาก็อิโดย่อก็มีสุขกับทุกขและคําว่าสุขกับทุกข์เนี่ยมีความหมายทุกนั้นแปลว่าลําบากยากเอาแปลว่ายากในทีน่นี้ยากหรือลําบากหรือเหน็ดเหนื่อยท่านอธิบายไว้เป็นสามลำนวนนี้ แล้วก็ทันทาแปลว่าช้าช้าหมายถึงช้าโดยขี ป, ปาแปลว่าเร็วเป็นอนุสาขาของทุกเป็นอนุสาขาของสุขขาปฏิปทาที่ว่า เ, เรามาดูบทอธิบายของท่านเลยค่ะว่าในประเด็นที่แปดที่ขึ้นหนัวข้อว่าโดยทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาณในหนึ่งและต่อว่าถึงสี่ ถ้าถึงสามขอโทษในหนึ่งถึงสามคือท่านอธิบายทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาไว้เป็นหลายการณีหลายไในแล้วก็พลิกมาดูประเด็นที่เก้าเพื่อแก้ไขแลว้วกันโดยทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาในสี่ถึงห้านี่ยังเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาอยู่เป็นปฏิปทาที่เรวที่สุดแย่ที่สุด คือปฏิปทานนี้ซึ่งมีรายละเอียดเรากลับมาดูประเด็นที่แปดต่อนะฮะในกรณีหนึ่งหรือในหนึ่งของทุกขาปฏิปาทาธันทาปิญญาผู้ใดมีจิตสันดานยึดมั่นวิปัสสนามีรูปเป็นประธานกำหนดเอามหาพุทธรูปสี่แล้วกำหนดเอาอุปาทารูป กำหนดอารูปเมื่อกำหนดรูปแล ะ, ะเมื่อกำหนดรูปและอารูปย่อมอาจเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยกำหนดได้โดยยากโดยลำบากสำหรับท่านผู้นั้นชื่อว่ามีปฏิปทาคือการปฏิบัติลำบากส่วนสำหรับท่านที่กำหนดรูปและอารูปย่อมชื่อว่าจะสรู้ได้ช้า เพราะมักปรากฏได้ช้าในการกําหนดอยู่กับวิปัสสนานี่อธิบายนะฮะคือในกรณีที่หนึ่งเนี่ยบางคนที่ทําวิปัสสนาจะเป็นแบบไหนแบบไหนก็ตามเถอะที่เอามหาวุธรธลูกเป็นประธานแต่ตรงนี้ท่านอย่านึกว่ากําหนดอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นทุกขาปฏิปทาทั้งหมดนะเป็นอย่างอื่นได้แต่ว่าตรงนี้ให้นึกในกรณีว่า คนที่เริ่มทำวิปัสนาแล้วกำหนดมหาวุทรูปเป็นประธานเริ่มต้นก่อนมผมถามว่าได้แก่คนจะเริ่นิยสนา<ม>ด้วยการกำหนดบอบไหนเป็นหลักอ่านนึกถึงมหาสติประสานสิสูตรมีไหมที่ชัดๆเลยคือกำหนดธาตุธาตุบับไงครับธาตุบับ โดยว่ากำหนดไปที่ผมผมเป็นดินจากสมุดนี่ลงไปแต่ทั้งไฟเป็นธาตุไฟย่อยไปเป็นไฟดินน้ำไฟลมจับเข้าไปหาธาตุทำเป็นสมตะได้ทำเป็นนิพพานได้ในกรณีําเป็นนิพพานหรือคนที่กำหนดอิริยาบถนี่ธาตุจะปรากฏชาติคือความเย็นร้อนอ่อนแข็งเร่งตึงเนี่ยนะปรากฏนี่ถือว่าเป็นเรื่องธาตุ ก็เริ่มต้นหมายเอาธาตุเป็นหลักบัพใดกรรมฐานใดที่กําหนดและหมายจับไปที่ธาตุหมายรู้ไปที่ธาตุเรียกว่ากําหนดธาตุเป็นประธานกําหนดรูปที่มีธาตุเป็นมระาแล้วจึงขยับเข้าไปสู่อุป า, ารูปหมายถึงรูปอาศัยเช่นความเบาความอ่อนความควรที่ปรากฏในการยกย่างหย่อนเหยียบยันนี้นะ ถึงแม้ว่าไอ้รูปนี้จะไม่นับเป็นที่หมายของการเห็นอ น, นิจจังแต่ว่าก็จะต้องปรากฏแล้วก็ต้องรู้ผัวพันไปด้วยแต่เวลาพอไปเห็นอ น, นิจจังนี่เขาจะแหวกแทงตลอดเฉพาะในรูปที่มีอ น, นิจจังปรากฏในตัวของมันเองโดยตรงหรือกําหนดว่าประสาทกายนะฮะเช่นว่าพอร้อนร้อนที่ไหนร้อนร้อนเป็นอันหนึ่งความที่ตั้งที่ความร้อนเข้าไปกระทบคือประสาทกายประสาทกายเป็นอุปาตารูป หรือสมมติกำหนดเดินร้อนๆ้อนไปกำหนดไปกำหนดมาแล้วมีเสียงปรากฏเสียงตันุปาทาลูกเสียงปรากฏจากเท้าเหยียบก็ดีจากขณะยกกระดูกลันกรอแกรบรอแก ร, ก, ร, ก, รก็ดีเป็นเสียงหรือกลิ่นเวลาทำํำให้มันก็ไม่น่าจะมาเกี่ยวแต่มันเกี่ยวด้วยคนทําวิปัสนาแล้วลึกๆแล้วเนี่ยก็ใจอย่างมุดว่าเรานั่งอยู่กลางห้อง เขาคุยกันอยู่หน้าห้องเสียงเราก็ได้ยินคนอื่นนะกลิ่นคนอื่นเราก็ได้ยินอไอเดนไม่ได้ยินได้กลิ่นอ้าปากนี่โหกลิ่นเหม็นมากแล้วอย่างบางบางคนมีประสบการณ์แล้วนั่งนั่งอยู่ในกลิ่นคนอื่นมาถูกเรากลิ่นเราก็มาถูกเราแล้วกลิ่นละกลิ่นเวลากลิ่นในกรรมฐานนี่มันเหม็นครับให้อาบน้าใหม่ให ม, ห ม, หม่ทาแป้งมันก็มันลอแยกไอ้กลิ่นเหม็นลอดแยก ยิ่งคุยคุยยงี้แล้วก็โอ้ยเหม็นรู้สึกเลยเหม็นเนี่ยเรียกวไอ้กลิ่นอย่างนี้เราดมด้วยจมูกธรรมดาไม่รู้นะดมยังไงยังไงก็ไม่รู้ไม่เชื่อลองยกแขนมาดมไอ้แขนเราก็หอมนี่แต่หอมหมหอมใช่ไหมไม่ต้องไปให้คนข้างๆกับพิสุธิ์นะแต่เวลาที่อยู่ในนะเ น, นี่ยมันมันเป็นลบหมดมันวิปลาสเรารไม่วิปลาสบอกไม่ใช่วิปลาส นี่คือการที่จิตเข้าไปเห็นไอ้เนื้อแท้ของเราอ่ะตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรน่าอภิรมเลยนะเราไม่ได้ตั้งใจจะดมได้กลเองนั้นไอ้อย่างคนเดินผ่านเนี่ยเสียงผ้าสีเสียดอย่างเงี้ยได้ยินนะเวลาผมไปนั่งไปทําที่พมา่าแล้วก็มีแขกเขานุ่งสาหรีเขาเดินผ่านเนี่ยนะไอ้เสียงไอ้ไอ้ไอแรงก็คือเนี่ยก็นั่นแต่ว่าเมื่อเขายังไม่ถึงตัวเนี่ย เสียงผ้าแขบมันมันไอไอไอได้มันเสียดกันเนี้ยได้ยินน่ะได้ยินได้เสียดกันมันละเอนะียดขนาดนั้นแต่ว่าไอไอ decoration. สิ่งที่มันปรากฏอย่างนี้น่ะมันมักจะไม่ปรากฏในลักษณะเป็นบวกเป็นบวกที่มันตรงกันข้ามกับการทำเพื่อวิวัติ์น่ะ มันจะเป็นลักษณะ ว, ว่าไอ้ของจริงเนี่ยมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดและมันล้ายแรงอย่างที่เราเคยคาดคิดเป็นอันมากมันก็ ค, ค่อยค่อยลามลึกเข้าไปเรื่อยนะยานเวลาเห็นเนี่ยลามลึกลงไปลงไปแล้วก็เมื่อกําหนดรูปแล้วเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วเราว่าคนกําหนดแม้จะกําหนดที่รูปแต่มันก็จะต้องระ บ, บาดไปถึงรูปเริ่มรูปก็ลงไปหาอาลูก แน่ๆเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้จิตสั่งให้เดินยกให้เดินให้ย่างให้เหยียบนี่จิตคิดยังไงจิตอะไรคิดจิตคิดเดินด้วยจิตใดแล้วรูปเราเป็นอย่างไรนั่งโดยจิตใดทรงรูปนั่งอยู่ด้วยจิตใดเป็นจิตเป็นอย่างไรแล้วก็รูปเราเป็นอย่างไรต่างกับจิตเมื่อกี้อย่างไรมันออกมาให้เห็นอย่างง่ายๆโดยที่ เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราเนี่ยต้องการจะกําหนดรู้ให้เห็นว่าอะไรแต่เราไม่ได้มาเที่ยวจ้องจะรู้ให้นี่มันเกิดได้เนี่ยปรากฏแล้วเราก็จับอารมณ์หลักแล้วมัน ค, ค่อยๆคืบเข้าไปคืบเข้าไปคืบ เ, ปคบเข้าไปของมันเองแต่ว่ามันไม่มีอะไรดีถ้าเมื่อใดเห็นเป็นดีด้วยเหตุใดก็ามแปลว่าเราทําไม่ดีแล้วนะเห็นเป็นดีเดี๋ยวท่านจะมาชี้ให้เห็นแล้วผมจะย้ำว่า น, นี่คือข้อความในหลักฐานในตรงนี้พูด ข้อความที่ผมพูดแล้วยังไม่อธิบายตอนนี้ด้วยอันนี้เมื่อกาหนดไปถึงอารูปและต่อมาเมื่อก็เมื่อกาหนด ร, รูปและอารูปย่อมเหน็ดเหนื่อยเออตรงนี้หมายก็ว่าเมื่อเรากาหนดทีแรกเนี่ยนี่ขอให้ฟังให้ดีในทางหลักอะกาหนดทีแรกเนี่ยเราเราทุกคนเนี่ยครับต้องตั้งหลักอะไรไว้สักอย่างหนึ่งก่อนเพราะว่าไอสิ่งควรรู้<ม>แต่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องอนาคตเนี่ย มันได้แต่ว่าไอ้หลักการมันจะต้องไปรู้ละกวรจะไปรู้แต่พอเริ่มต้นทําเมื่อให้รู้เนี่ยมันต้องเริ่มทําจากหน่วยเล็กๆหน่วยประทานแล้วกําหนดไปถึงยังไงนี้พอกำหนดไปกําหนดไปมันจะเกิดความสมดุลคําว่าสมดุลหมายความว่าการรู้รูปกับรู้นามเป็นของพอฟัดพอเวียนกันเมื่อเป็นของพอฟัดพอเวียงกันเนี่ย อันนี้ผมพูดภาษาผมเองนะไม่ใช่ภาษา